จะเริ่นทมทุกคนอาวันนี้เป็นวันศึกษาอิชาพุทธชีวศิลปพุทธชีวศิลป์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นศิลปะอันจะทำให้ชีวิตของเราได้รับประโยชน์ ในความเป็นพุทธนะหรือว่าจะแปลเอาความว่าพุทธนั้นมีศิลปะต่อชีวิตก็ได้นะพุทธนั้นมีศิลปะต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมากคำว่าศิลปะคำเนียตมาได้ขยายความไปบางแล้วว่า ศิลปะอัตมาถือว่าสูงกว่าคำว่าศาสาตร์ศาสตร์ระคำว่าศิลปะสูงกว่าคำว่าศาสตร์ระในความเป็นศิลปะเองมีความเป็นศาสตร์ระอยู่ในนั้นแล้วแต่ความเป็นศาสตร์ะมีความเป็นศิลปะบ้าง ไม่มีความเป็นศิลปะบางและศาสตราที่ไม่มีความเป็นศิลปะก็มีอยู่เยอะเยอะเย อ, อะทีเดียวเย อ, อะชนิดที่คนก็ยังเข้าใจไม่ได้ว่าศิลปะคืออะไรอามาขอขยายความคาว่าศิลปะให้ฟังอีกนิดหน่อยว่า ศิลปะนั้นก็คือการให้ความรู้ศิลปะก็คือการให้ความรู้ที่นําพาไปสู่มงคลอันอุดมศิลปะคืองานแสดงออกของผู้ที่เป็นศิลปินเป็นเจ้าของงานศิลปะศาสตร์ก็เหมือนกันศาสตรก็เป็นการแสดงออกของเจ้าของผู้แสดงออกเจ้าของแสดงความรู้นั้นออกมา ก็เป็นศาสตระ์ะถ้าเผื่อว่าเจ้าของความรู้ไม่แสดงออกเลยศาสตร์ระก็ไม่เกิดความรู้นั้นก็ไม่แพร่กระจายไม่แพรห่หลายอะไรออกไปมันอาจจะเป็นความรู้อยู่ในตัวของผู้นั้นแต่ผู้นั้นก็ต้องเผยแผ่ศิลปะก็ต้องเผยแผ่ศาสตร์ ะ, ระก็ต้องเผยแผ่แต่ถ้าเผยแผ่ไปแล้ว ศาสตรานั้นออกมามีศิลปะในตัวมันไหมหรือมีแต่ศาสตราที่มีความรู้เท่านั้นมันไม่มีอะไรที่เพิ่มจากความรู้นะเช่นศิลปะนั้นมันมีความสำคัญมีความหมายอยู่สองอย่างที่อัตมาว่า แม้แต่ศิลปินหลายคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้แต่เขาทำนะเขาไม่เข้าใจโดยเพลิ น, นแต่โดยสำนึกสามัญสำนึกของเขาเขารู้อยู่ว่าเขาต้องใช้ทั้งสองสภาพนี้ในความเป็นศิลปะคือหนึ่งสุนทรียสินสองสารสินนะ สองอย่างนี้ถ้าไม่มีทั้งสองอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่ศิลปะถ้าไม่ใช่สองอย่างนี้ไม่ชื่อว่าศิลปะถ้าอะไรให้แต่สาระอะไรออให้แต่สาระความอะไรสื่อออกมาให้แต่สาระอย่างเดียวไม่มีสุนทรีอันนั้นไม่ใช่ศิละปะให้แต่สาระไม่มีสุนทรี สุนทรีคือสิ่งที่น่ารื่นรมหน้าชี้ชวนให้สนใจหน้าชี้ชวนให้คนรับสัมผัสแล้วมันเออเกิดความน่าสนใจเกิดจิตยินดีออจิตชื่นชอบจิตถึงขั้นทราบสงใจเลยก็ได้กระทับใจก็ได้นะ เ, เพราะฉันั้นแต่เผอว่า สื่ออะไรที่แสดงออกมาแล้วให้คนสัมผัสรับกลูรับเห็นรับได้ยินรับได้ฟังรับได้ดิ้มรสอะไรสัมผัสทั้งทวารทั้งหกอะไรก็แล้วแต่สื่ อ, อไหมรับทวารทั้งหกไอ้สิ่งเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาให้คนรับสัมผัสถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีสุนทรียะอันนั้นคือสารคดี อันนั้นคือสาระคดีมันเป็นเรื่องของสาระถวเพีย ว, ยวสาระแท้ๆเพราะฉะนั้นเขาก็บอกอยู่แล้วของเขาม่ใช่ศิลปะมันมีแต่สาระแท้ๆเพราะฉะนั้นในศาสตร์จึงไม่มีศิลปะได้อย่างที่ว่านี้เป็นสารคดีแล้วก็ถือว่าวิชาการก็มีแต่สาระเท่านั้นแหละอะไรอย่างนี้เป็นต้น ส่วนศิลปะนั้นขาดศาสตร์หรือขาดความรู้ไม่ได้ขาดสาระไม่ได้สาระต้องวิเศษด้วยซ้าสาระต้องดีสาระต้องทำให้คนเข้าใจให้คนทราบซึ้งให้คนประทับใจจนเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีอำนาจถึงขนาดนั้นศิลปะ เป็นสาระที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่มงคลอันอุดมนี่เป็นคำคำจำกัดความของพระพุทธเจ้ปปาศิลปะคือสิ่งที่เป็นมงคลอันอุดมนำไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดถึงคันนิพานเลยอุดมหรืออุดอนอุดมนี่คืออุตระ โลกุตระสิ่งที่สูงส่งเนะพราะงั้นคำว่าศิลปะจึงมีคุณสมบัติในตัวมันเองมากกว่าศาสตร์อยู่แล้วเพราะมันมีความรู้เหมือนกันกันกบศาสตรนะ์เพราะใครสื่อศาสตร์ออกมามีศิลปะประกอบด้วย จึงเป็นงานที่มีประโยชน์คนรับได้ดีกว่าคนสามารถทำัลประโยชน์จากงานนั้นๆได้ดีกว่าส่วนสารคดีหรือศาสาตร์ศาสตร์ระเพียวๆไม่มีสุนทรีไม่มีอะไรน่า ย, ยินดีน่าชื่นชมน่าเบิกบานใจน่าสนุกสนานน่าเพลิดเพลินน่ามีรถ ของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโล ก, กียะประกอบบ้างนะเพราะพระพุทธเจ้า น, นั้นรู้ว่ามนุษย์ต้องมีความร่าเริงเบิกบานหรือมีสิ่งอาศัยที่เป็นความยินดีเป็นน่ายินสิ่งที่น่ายินดีอยู่นาะพุทธจะจึงเป็นความรู้เป็นผู้รู้พูดตื่นผู้เบิกบานมีความเบิกบานไม่ใช่มีความแข็งมือรื ซื่อมฤือทื่ อ, อไม่มีรถไม่มีชาติอะไรที่เกิดให้ชี้ชวนเกิดให้อาศัยเพราะงั้นพระอาหารหันต์คนเ ด, เดาว่าท่านไม่ก็ท่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วท่านไม่มีโลกแล้วท่านก็ซื่อมฤลื้ทื่อซึ่งไม่ใช่ท่านเข้าใจโลกอาศัยโลกได้ เรื่องของโลกก็อาศัยอ่าก็อาศัยไม่ใช่ไม่อาศัยแต่ท่านไม่ได้ติดยึดท่านไม่ได้เอามาบาเรอกกิเลสท่านอาศัยว่าเออมันก็ยังคล่องคล่องกว่ามันอาศัยแล้วมันรู้สึกจะคล่องกว่าที่มันไม่อาศัยแล้วมันจะนิ่งนิ่งฝืดๆืด ถ้ามันนิ่งนิ่งฟืดฟืดมันก็คล่องกว่าดีกว่าที่จะเป็นประโยชน์เมื่อเราร่วมเมื่อเราร่วมร่วมด้วยกันร่วมสังเคราะห์ร่วมร่วมสังขารร่วมทางานด้วยร่วมมีองค์รวมด้วยกันประกอบกันอยู่มันก็น่าจะไปเดินไปเป็นคติเป็นการดำเนินไปอย่างคล่องไม่ควรจะดำเนินกันอย่างฝืดๆืดใช่ไหม เด็กก็ยางฝืดๆเหนื่อยร้อนลำบากใช่ั้ยเพราะฉะั้นในเชิงที่มันจะฉลาดใช้แต่ท่านก็ไม่ได้ไปติดไปยึดไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งจะต้องมีไม่มีแล้วต้องห้อยหาต้องติดยึดต้องเป็นสิ่งที่ชื่น ช, ชมไม่ใช่แต่อาศัยคล่อง น, นี่เป็นแนวลึก เป็นรายละเอียดที่อจตมาให้ความรู้ให้ความกดใจอย่าพาซื่อจกนกระทั่งเดาเนั่นจึงเดายากในความเป็นผู้มีจิตและมีปัญญาและใช้การเป็นอยู่ด้วยความประมาณแล้วแล้วอาศัยเพราะงั้นท่านอรหรนันตุกอง์ก็ทั้งกระเป็นอยู่ด้วยการประมาณแล้วก็อาศัยอาศัยสิ่งที่ใช้นั้น ไม่ใช่เรื่องตีกินนะที่พูดเนี่ยคนที่ขี้โกงตีกินได้แต่คนที่พิสูจ์จิตตัวเองจนกระทั่งสะอาดเรียบร้อยบริสุทธิ์ไม่กลับกำเริบไม่มีอะไรอันอีกก็รู้จักโลกจิตขาดอาสวะสิ้นหมดแล้วอาศัยโลกอยู่โดยอนุโลมปฏิโลมมีสัจจานโลมมิกายานอนุโลมอยู่กับโลกเพราะบางที่สนุกสนานก็น คนเ ข, เขาได้เขาอยู่ในโล ก, กีสนุกสนานได้จะปรุงแต่งเพิ่มเติมอยู่กันก็ได้แต่ท่านก็อาศัยไปตามเหตุปัจจัยที่มันควรจะกระทำให้มันเกิดผลดีอันเหมาะสมตามการได้ใช้สปริสัมเจ็กประการมหาประเทศสี่ประมาณการอย่างสมเหมาะสมควร <S <S สรุปแล้วศิลปะเนี่ยคนที่นึกว่าตัวเองเข้าใจศิลปะแล้วก็อาศัยงานที่ไปเรียกว่าศิลปะเนี่ยทั้งๆ ท, ที่หนักเอาเข้าจริงๆ ง, งานที่ตัวเองทําไม่ได้เป็นศิลปะเลยเป็นอนาจารเป็นงานมอมเมาเป็นงานหลอกลวงแม้แต่ตัวเองก็ ทำงานไม่ใช่ศิลปะเช่นทำงานที่ทำออกไปนั้นไม่มีสารสินไม่มีศิลปะก็เาขาไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรในงานนั้นจะงานเขียนงานปั้นดีไม่ดีเป็นงานลามกจกกระเปลดด้วยเป็นงานทำให้กิเลสเพิ่มด้อัตมาเคยยกตัวอย่างว่าคนเขียนภาพนู๊ดเนี่ยภาพคนเปลยเนี่ย เขียนอย่างไรแล้วจังจะชื่อว่าศิลปะเอาหลักเกณฑ์ที่นหนมาตัดสินหลักเกณฑ์ที่ตัดสินว่าภาพนูดภาพคนเปลยเนี่ยถ้าใครสามารถเขียนคนเปลือยให้คนรับสัมผัสได้แล้วคนสัมผัสแล้วเกิดความละนายคลายสัมผัสภาพคนเปลืยแล้วจะปั้นหรือเขียนก็นแล้วแต่คนสัมผัสแล้วกิเลสราคะลดเอออันนี้เป็นศิลปะ แต่ถ้าสัมผัสแล้วกิเลสราคะมันเกิดอันนี้เป็นอนาจารเกิดมากเท่าไหร่ก็อนาจารลามกมากเท่านั้นไม่ใช่งานศิลปเท่านั้นเท่านั้ น, น, นเข้าใจง่ายใช่ไหมที่อาตมาอธิบา ย, ยหลักการตัดสินเข้าใจง่ายๆเพราะถ้าใครสัมผัสงานของของคนที่เขาเป็นช่างแล้วหลงตัวว่าเป็นศิลปินเนี่ย แม้จะเป็นราคะเป็นโทสะหรือเป็นโมหะเกิดราคะโทสะโมหะงานนั้นไม่ใช่งานมงคลอันอุดมเป็นฆ่าศึกแกกุศลงานนั้นเป็นฆ่าศึกแกกุศลไม่ใช่งานเป็นมงคลอันอุดมไม่ใช่งานศิลปะเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ตัวเองถือว่าตัวเองเป็นศิลปินเนี่ยสร้างงานขึ้นมานี่เป็นอนาจาร หรือเป็นงานที่มันทำให้คนมัวเมาหลงไหลผิดเละเอะเช่นงานแอ s ส r ตร t งานที่เรียกว่างานไรรูปร่าไรฟอร์มแล้วก็ให้คนสัมผัสแล้วบอกว่างานนี้มันให้ผลทางนามธรรมาคิดเอาเองอะไรงี้เป็นต้นงานแอ s ส r ตร t อาร์ตที่เขาทำกัน ซึ่งตัวเองคนเขียนนี่นะงานแอพสเตรกนี้บางคนได้รับความนับถือยอมรับเป็นศิลปินใหญ่ๆ ใ, ใ, ในตลาดในโลกด้วยอ่ะในโลกด้วยแต่งานที่เขาทานั้นไร้สาระเป็นเทคนิคเท่านั้นเทคนิคแสงสีเสียงเทคนิคของปั้นรูปอะไรแล้วแต่ให้คนดูแปลกแปกให้ดูคนประมาทสจารคิดไปได้บ้างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่ได้ลดราคาโทสะโมหะเลยแถมเพิ่มโมหะความหลงเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องเข้าราวเดาดันดนทรงไปอะไรก็ได้ฟุ้งซ่านไปเลอะเทอะเป็นวิมานเลอะวิมานประหลาดประหลาดอะไรก็ได้ให้คนสัมผั์แล้วสร้างวิมานประหลาดประหลาดอะไรที่มันไม่ได้เข้าไปหาแก่นสารสารที่เป็นการเป็นไปเพื่อความเจริญประเสริฐอะไรเลยเยอะเลยทั่วโลก ไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นนี่ขออภัยอาตมาวิจาร์ศิลปะให้ฟังเพราะงั้นในโลกนี้มอมเมากันด้วยคำว่าศิลปะแต่มันไม่เป็นศิลปะหรือมันไม่มีสารสินมันมีแต่สุนทรียะสุนทรียะคือสิ่งที่ชี้ชวนให้คนสนใจเอากามมาประกอบไปบ้างเหยาะกามนิดหน่อย หรือย่อการามจนกระทั่งตัวเองไม่เข้าใจทำให้คนเกิดการามมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นหรือทำให้เกิดคนโทสะมากยิ่งขึ้นก็ เ, เอาหลักของกิเลสนี่แหละเป็นตัวตั้งหรือทำให้คนโมหะหลงลืมเธอไม่รู้เรื่องเดาด้นป้ายสร้างเรื่องอะไรก็ได้ต่างๆนานาแอบสแต็กนั่นแหละหรือไอ้าสไอ้อาตอะไรเ็าตั้งชื่อเยอะๆเยอะแยะมาไม่อยากจะไปจำเลยเข ภาษาเขาตั้งเป็นภาษาเท่ๆเป็นภาษาฝรั่งเยะยะอะไรก็ไม่รู้อาร์ตอย่างนั้นอาร์ตอย่างนี้ต่างๆนานาว่าเป็นศิลปะทั้งนั้นซึ่งอาตมาว่ามันมันเลยไม่ไม่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติมันกลายเป็นมอมเมามนุษยชาติกันไปเยอะเพราะมันเข้าใจว่าศิลปะคือสิ่งที่ทำให้คน สัมผัสแล้วชอบสัมผัสแล้วในแปลกหูแปลกตาติดใจนิยมชมชอบสร้างให้ตัวเองมีชื่อมีเสียงสร้างให้คนตัวเองได้รับความยอมรับของสังคมเท่านั้นงานตัวเองทําแล้วขายได้งานตัวเองทําแลาา้วลคนยอมรับนับถือก็สร้างอะไรให้มันแปลกให้มันพิเศษนี่มันชวนชี้ชวนจึงมีแต่สุนทรียะแล้วสุดท้ายไม่มีศิลปะเพราะไรสาระ มันต้องมีสองอย่างมีสาระดีโดยจะพาะสาระเป็นโลกุตฑราเด้อยเป็นอริยะเลยและต้องมีสังสุนทรีขาดสุนทรีก็เป็นสารคดีมีแต่สาระไม่มีไม่มีสุนทรีเห็นความต่างของศาสตร์กับศิลปะไหมเข้าใจไหมศาสตร์กับศิลปะต่างกันอย่างนี้มันศาสตร์คน พาซื่อก็เอาแต่เนื้อหาวิชาการสาระเท่านั้นแค้นเป๊กเลยยากไม่มีอะไรหล่อลื่มเลยไม่มีความคล่องคอคล่องตาคล่องความรู้สึกความสานึกอะไรเลยไม่ชวนชี้ชวนเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคนทำงานสาระสารคดีแต่ประกอบไปด้วยสุนทรียะบ้างตามที่สวด ส, สามา มากหรือน้อยแล้วแต่ถ้าไม่เสียสาระจนสุนทรีกลบสาระเป็นหมดคนไปติดแต่สุนทรีไม่ได้เนื้อสาระเลยเช่นทำยาให้เด็กกินใส่น้ำตาลใส่สีไว้นาจ้ะจัดอร่อยมากเนื้อยาอยู่ข้างในนิดนึง เด็กมันฉลาดมันก็เลยกินแหนกินอม is, üm, กินน้ำตาลมาพอมันจะถึงเนื้อยามันปลาดิ่นทิ้งหมดเด็กก็ติดตไอ้น้ำตาลไอ้สีสันอะไรพวกนั้นมันไม่ไปกินดอกยายาเขาก็มีสุนทรีก็เาลองมกันยาก็มีสาระเนื้อยาที่จะรักษาคนมันกินไม่ได้เขาก็ใส่ ใส่สีใส่กรินใส่รถใส่อะไรใช่ไหมเอากามมาผสมบ้างยามันจะพอกินได้ให้คนได้กินเขาก็ทำนั่นคือศิลปะในการทำยาให้คนกินแต่เสร็จแล้วคนรู้ทันแลวหรือว่าทำยานั้นคนมันกินแต่สุนทรียะมันมันรับแต่สุริยะมันไม่เอาเนืยสาระ อย่างที่ยกตัวอย่างไอย้ยาที่บังหุ่มเด็กน้ําตาลหุ่มเด็กสีอะไรเป็นหลอกเด็กเด็กมันก็กินแต่น้ําตาลกินแต่สุนทรีมันไม่กินเนื้ อ, อยามันพอ ร, รู้แต่เนื้ อ, อยาปั๊บมันทิ้งเลยมันก็เลยบอกโอ้ยอันนี้ก็ดีดีมันก็ไดกินสิ่งนี้มันก็เอาแต่สุนทรีมันไม่เอาเนื้ อ, อยาเพราะมันรู้ทันอันนี้ก็เป็นความเป็นก้น คนไม่เดียงสาใครก็แล้วแต่เมื่อันโลกเนี่ยพอไปสัมผัสเขาบอกว่างานศินละปะก็เลยเสพแต่สุนทรีไม่เอาสาระเพราะสุนทรีมันมากไปจนกลบสาระนั่นน่งสองแม้แต่คนทำงานศินละปะเขาเรียกของเขาศิละปะแต่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าจุดมุ่งหมายสาระอะไรเขีนไปตามอารมณ์ เป็นการบำเรออัตลาตัวเองบำเรอความอยากทําอย่างเงี้ยฉันว่ามันมันดีมันอร่อยดีมันสวยดีมันงามดีบำเรออารมณ์ตัวเองโดยทางเทคนิคเทคนิคที่ตัวเองปรุงปั้นขึ้นมาับเสริมแต่งขึ้นมาเอาผสมลงไปให้มันดูเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ศิลปินนี่เขาจะต้องหาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองเสร็จแล้วเขาก็หลงว่าคนนิยมชมชอบอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของคนนี้แม่คนนี้เขามีเอกลักษณ์ของเขา มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของเขาแล้วคนก็ติดพอติดแล้วทีนี้ก็ขายเอกลักษณ์อัตลักษณ์หาสาระมีได้เยอะไม่มีอะไรติดแต่แค่เส้นโอ้ในลีลาเป็นทีของคนนี้นะศิลปินคนนี้มีแต่เส้นแค่นี้มีแต่เส้นก็ขายได้ละนี่คือความมองเมาหลอกรอกไม่ได้เกิดสาระสักอย่างเลยเขาก็ลงซื้อกัน นี่คือโลกหลอกลวงมองมเมาค้าข า, ขายด้วยความอาวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจกันเยอะเลยนะศิลปะสรุปแล้วที่อาตมาขยายความให้ฟังนี่คือเพื่อให้รู้ว่าศาสตร์กับศิลปะมันต่างกันอย่างไรศิลปะขาดความรู้ไม่ได้ย้ำอีกทีศิลปะขาดความรู้ไม่ได้ดไไดเพราะฉะนั้นศิลปินจริงต้องรู้ว่าตนเองนี่ทำงานนี่ออกมาให้เกิดความรู้อะไรแก่คน ส, ส, ส่นสุนทรียนั้นเป็นเรื่องรองอย่าให้คนไปหลงติดอยู่แต่สุนทรีเพราะมันเป็นกิเลสสุนทรีมันเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นสิ่งอาศัยมันเป็นสิ่งที่ประเทืองเป็นสิ่งที่ให้อาศัยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความคล่องความรับได้ความเขาจะรับเอาบ้างแต่ไม่ให้เขาไปติด จนเขาหาสาระไม่เจอแล้วก็หลงแต่สุนทรีถึงเยอะมีมากมายนะไม่ได้สไม่ได้สาระได้แต่สุนทรีเยอะกลายเป็นเรื่องเป็นภยัยสาระน้อยจนกระทั่งได้กิเลสมากกว่าอย่างหนังละคร บันบันเทิงเริงรมมาได้ต่างนานาพวกนี้ได้แต่บันเทิงเริงรมแต่สาระไม่ค่อยได้สาระน้อยจนกระทั่งไม่มีสาระเลยนอกจากไม่มีสาระแล้วอนาจารลามกอีกเยอะแล้วก็ลงว่าหนึ่งคือศิล ป, ปะอนาจารลามกกันนะว่าคนที่ทํางานศิล ป, ปะทุกวันนี้นี่ไม่ได้เข้าใจความศิล ป, ปะในยะที่อาตมาพูดนี้ ขณะจบปริญญาเองมาทางศิลปะก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็เยอะอาตมาเองอาจจะอวดดีนะพูดจริงๆอาตมาเรียนศิลปะมาก็ไม่สูงอะไรหรอกจบแค่อนุปริญญาปวสและก็ไม่เคยคิดจะไปเรียนปริญญาตรีต่อแต่อาตมามีของเดิม มีความรู้เดิมที่วิจารวิจัยในความรู้เดิ ม, อ ม, ม, เ, ดมเอาความรู้เดิมชาติในใ ๆ, ๆมมามามาใช้อธิบายมาใช้ขยายความเพราะงั้นอาตมาจะมีความรู้ศิลปะมากน้อยอะไรแค่ไหนะอย่างไรทุกวันนี้อาตมาใช้ศิลปะในการทำงานมาตลอดทำงานศาสนามาในใช้ศิลปะมาตลอดนะ ใช้เพียวอาใช้ทั้งจิตตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมคีตการนาฏกรรมหมดใช้ทุกอย่าง ข, ขีตกรรมก็ขีตการก็คือเพลงเสียงสำเนียงดนตรีนาฏกรรมก็ฟ้อนรําท่าทางนัดจักรีตะบาริตะก็คีตะก็ทงังเสียงสำเนียง วาทิตตะกระทางวรรณกรรมทางภาษาทางคำพูดอะไรพวกนี้ใช้หมดนะใช้เป็นศิลปะให้มีสองอย่างมีสสุนทรีย์สินมีทั้งสารสินแล้วก็สื่อออกมาให้คนได้รับเนื้อแทเนื้อหาแต่ไม่ให้ติดไม่ให้ติดสุนทรียะอาศัยเป็นกระไส เป็นเครื่องนำให้ไปให้มันพอลื่นพอคล่องเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นเทียนตมาทำงานธรรมะทำงานศาสตร์และศีลต้องเรียกศีลในมีศาสตร์โดยต้องศาสตร์และศีลเทียนตมาทำอย่านี้เพราะเห็นว่าความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่มีธรรมะมีสัจธรรม มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรได้ควรมีคว ร, ควรเป็นจริงๆในชีวิตชีวะถ้าไม่ได้ชีถ้าไม่ได้ศาสตร์ได้ศิลป์ถ้าไม่ได้ศาสตร์และความรู้ถ้าไม่ได้ความรู้และวิธีสื่อวิธีสอนวิธีให้ก็ต้องมีศิลป์อย่างที่ว่าแล้วก็ให้ความรู้ที่เป็นความรู้ของพุทธธรรมระบุว่าพุทธชีวะศิลป์พุทธธรรม ซึ่งอาตมาเห็นว่าของพระพุทธเจ้านี่สุดยอดสุดยอดเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบทุกอย่างซึ่งอาตมาก็าพยายามสื่อพยายามนำมาถ่ายทอดอธิบายแจกแจงขยายความมาสี่สิบกว่าปีแล้วยังรู้สึกว่าโอ้โหยังมีอีกเยอะที่จะต้องอธิบายกันแล้วก็จะต้องอธิบายกันไว้ มันก็มีผู้รู้ที่รู้ตามอัตมามาแล้วก็ค่อยๆเก็บต่อๆๆไว้สำหรับที่จะทำต่อกันทำไปเรื่อยๆอัตมาก็มีหน้าที่ที่จะทาให้ออกให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายอะไรมากทิ้งเอาไว้เยอะอัตมาต้องมาเป็นคนขยายความขยายผลแม้พระเถระต่างๆ อย่างเทระวาดมี่หมายความว่าเป็นลัทธิหรือเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ระหรือศาสนาที่นับเอาเทระวาดเทระผู้ใหญ่เป็นคำสอนที่ชิดที่สุดคือระดับเทระไม่ใช่อาจารย์ยะอาจารย์รุ่นนงังหลังไม่ใช่แต่นับเอาเทระเทระรุ่นไหน เทระหนึง่งรุ่นเทระแท้คือผู้ที่ได้เกิดพร้อมยุคพระพุทธเจ้าได้รับความรู้ตรงจากพระพุทธเจ้าเช่นในพระธรรมปกที่บันทึกไว้คำสอนตรงในของพระพุทธเจ้าพระอนุนเป็นต้นพระสารีบุตรพระอะไรและต่างๆเยอะแยะแม้แต่ภิกษุณีที่บันทึกอยู่ในพระธบรมิก ในยุคพระเจ้าตรงเป็นคำสอนในที่อยู่ในยุคพระพุทธเจ้าเลยนั่นคือเทระรุ่นที่หนึ่งเลยถ้าจะรองลงมาอีกกสักครั้งสักอีกทอดหนึ่งถ้าหลังกว่านั้นขึ้นไปก็ถือว่าเป็นอาจารยรียวาสเป็นเรื่องราวที่ ทอดออของอาจารย์รุ่นหลังๆๆๆจึงเรียกว่าอาจาริยาวาดไม่ใช่เทรวาสดังนี้เป็นตน้นเทรวาดกับอาจาริยาวาดต่างกันอย่างนี้อาตมาเนี่ยไม่ค่อยจะเอาอัตถกถาหรือของอาจาริยาวาดของอาจารย์ต่างๆมาใช้นักแต่ก็ใช้อยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่เอาซะเลย เอาอยู่บ้างของผู้ที่อาตมาคิดว่าเอออันนี้ดีในเชิงนี้เช่นบางท่านเออท่านอง์นี้มีความคิดที่มีแนวที่ตรงอยู่หลายอันรับได้บางจริงๆก็เอาเออองค์นี้แม้ท่านจะไม่มีอารียธรรมของท่านแต่ท่านเป็นนักศึกษา คนคว้าตามตำรามาเป็นเอาหลักฐานต้นๆหรือเอาหลักานหลังๆเอามาประกอบก็ตามแล้วก็เลือกดูที่ท่านเอามาใช้ท่านเป็นนักศึกษาเป็น Le นเน็ตแมนเป็นคนที่ค้นคว้าจริงๆอัตมา ก, ก็ต้องเอาเพราะท่านเป็นผู้ผู้คร่ำบอร์ดเป็นผู้ที่เรียกว่า L ลนเน็ตแมนเป็นผู้คงแก่เรียนโอ้ท่าน ศาจริงๆสำหรับตำราต่างๆตั้งแต่รากฐานจนกระทั่งถึงคําสอนของรุ่นอาจารย์ก็เอามาใช้ประกอบรวบรวมอันนี้เป็นประโยชน์ทีเดียวอาตมา ก, ก็ต้องเลือกรับเลือกเอาเพราะพุทท่านประมวลมาเอามารวบรวมเอามาอะไรไว้ซึ่งเราเองไม่ได้ไม่มีปัญญาไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะไปเลือกเราก็ต้องใช้ก็ขอบคุณท่านก็ต้องรับ องีเป็นต้นบางท่านไม่ใช่เดิเนเด็ดแม่หรอกแต่มีพรสวรรค์มีของเก่าของท่านมีปัจเจกของท่านหรือมีสยังอภิญญาของท่านมากน้อยก็แล้วแต่มีความรู้เดิมของท่านติดตัวมาที่เรียกว่าพรสวรรค์ก็ตามที่เรียกว่าสิ่งที่มีมาแต่ติดตัวมาแต่ปางไหนก็แล้วแต่แอันนี้มันมีจริง ไม่ว่าทั้งโลกทางธรรมทั้ทงโลกก็มีโลกียะก็มีก็เยอะแยะที่เราเห็นอยู่นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาไม่ต้องสแสวงไม่จะพรสวงไม่จะมาสั่งสมชาติใหม่นี้แต่มีมาแต่ชาติเดิมมีมาแต่โบราณตั้งแต่ปางก่อนก็มีของโลกก็มีของธรรมะยิ่งแน่ยิ่งแท้ถ้าเป็นของจริงเป็นสัจธรรมที่แท้ เข้าขั้นอริยมารโลกุตรมาตั้งแต่โซโดาขึ้นมาสกิตาขึ้นมาถึงขันนิยตะขึ้นไปแล้วขั้นแน่นอนเที่ยงแท้แล้วมันตกทอดมาข้ามชาติไ้เลยยิ่งนิจจทุวังสัตตังโอ้อยิ่งแน่นอนไม่มีหายไปไหน นี่ก็ขยายความอะไรให้เพิ่มเติมให้รับจับราบไปเรื่อยเพราะเราจะเรียนไปอีกอย่างน้อยสปีนี่พูดไปละเอียดละ อ, อไปธรรมะอัตมาก็ไม่เรียบเรียงหาคนมาเรียบเรียงให้พูดไปเนี่ยให้ใครช่วยช่วยเก็บช่วยจับช่วยบันทึกแล้วก็มาจัดหมู่จัดหมวดในอนาคต ก็คล้ายๆพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมาสอนท่านก็ไม่ได้เรียบเรียงอะไรมากมายอันนี้ก็ว่าไปอันนี้จะสอนนี่จะสอนนี่นไปภาษาดีบุตรมารเรียบเรียงบ้างแต่ก่อนในยุคพระพุทธเจ้าภาษาดีบุตรเรียบเรียงก็ไม่ได้จัดเอาไว้เป็นตะกร้าตะกร้าเดยกว่าปิดอกเนี่ยไม่ได้ทําจนรุ่นหลังไม่เอามาทำของของภาษาดีบุตรเรียบเรียงไว้ก็เอามารวบรวม ของพระุเจ้าที่พระอนุ์มีไว้ก็เอามารวบรวมเท่าที่จะเก็บรวบรวมมาได้มาจัดหมวดจัดหมู่เป็นสามหมวดใหญ่เรียกว่าปิดกสามมีพระวินัยมีพระสูตรแล้วก็มีพระอภิธรรมเนี่ยซึ่งมีคนบอกว่าพระอภิธรรมเป็นคำสอนคนรุ่นหลังก็ไม่แปลก ก็รุ่นหลังทั้งนั้นรวบรวมประสูตรมารวบรวมเอาไว้มารวบรวมวินัยเอาไว้ก็รุ่นหลังทั้งนั้นนะรวบรวมไม่ได้รวบรวมในยุคพระเจ้าหรอกก็รุ่นหลังทั้งนั้นนะแล้วหาว่าพระอภิธรรมนี่เป็นของรุ่นหลังเลยใช้ความคิดเห็นของตนเองอัตมาว่าอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างแต่น้อยน้อย น้อยขอบอกได้เลยว่าน้อยในพระพิธรรมไม่มีใครสามารถจะคิดมันหยัดขึ้นมาได้คำต่างๆลักษณะเรียกอภิธรรมเรียกปรมัติเรียกจิตเจตสิกที่ละเอียดยิบปปะปจ้งถึงสุญญาตาเนี่ยไม่มีใครมาตั้งได้หรอก ถ้าไม่ได้เรียนพุทธศาสนาหรือจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาจากพระพุทธเจ้าตั้งเองไม่ได้ไม่มีใครบังอาจคําสอนรวรจ้าหรือสาระสาระธรรมสาระสัจจของวรจาไม่มีใครบังอาจมาตั้งได้และพระเจ้ากรทำของปามันอยบัญญัติสิ่งที่เราไม่บัญญตัติเพราะคนที่สามารถบัญญัติอภิธรรมเนี่ยเขาไม่บังอาจหรอก คนจะบัญญัติพระ อ, อภิธรรมก็รู้ว่ามันลึกซึ้งแค่ไหนแล้วเขาจะไม่รู้โทษภยัยเลยว่าอย่าบัญญัติสิ่งที่เราไม่บัญญัติเขาจะไม่รู้เลยคนสามารถบัญญัติหรือรวบรวมพระอภิธรรมจะไม่มีความรู้แค่แว่าอย่าบัญญัติสิ่งที่เราไม่ได้บัญญัติเขาจะไม่รู้เราคนสามารถบัญญัติเรียบเรียงรวบรวมพระอภิธรรมนั่นนะ ต้องมีภูมิมาทำต้องมีความแม้จะบรรยัติอะไรเพิ่มเติมขึ้นเขาก็จะต้องรู้ว่าอันนี้เติมนิดไหนไม่ได้หมายความว่าออกนอกความหมายของพระพุทธเจ้าไงเขาไม่กล้าทำหรอกแม้แต่อรรมาเนี่ยทำทุกวั น, นยังมีบรรยัติภาษาต่างๆขึ้นอยู่บ้างแต่แน่นอนอัรมาจะต้องดูอย่างชัดเจนแล้วว่ามันออกนอกคาสอนพระเจ้าไม่ได้ถ้าคืนออกนอกแล้ว ทำให้ศาสนาผิดศาสนาเสื่อมแน่นอนเพราะบางทีมันมาเป็นภาษาไม่คำต่อคำของพรุทธเจ้าแต่มันต้องอยู่ในกรอบยี่อยู่ในสาระเราต้องรู้สาระอันนี้ว่ามันไม่ได้ขาดมาจากสาระของพรจุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องไกลนะเอาละพูดทิ้งไว้ทุนนี้ก็แล้ว ก, กันนะสั์ และศีลเราจะได้เรียนกันต่อไปวันนี้อาตมาเห็นว่าจะพูดถึงเรื่องของความที่เคยพูดแล้วจะเจาะให้ลึกลงไปอีกโอ้เหลือดูเวลาเหลืออีก20นาทีเพราะเราจะใช้สูตรอาตมาบรรยายชั่วโมงไม่ใช่20่สบเราเมื่อกี้นี้เลยไปห้านาทีก็จะได้เริ่มไม่ห้านะกว่าห้าด้วยเอาเอาห้าก็พอ แล้วก็ได้เริ่มตน้นจากนั้นก็ใช้สูตรวิจารวิจัยสรุปแล้ววิจารวิจัยแล้วก็ซักถามอย่างที่ทำมาเริ่มตน้นพกเราก็ยังไม่คล่องยังไม่ถนัดก็เลยกกๆกแต่ก็ดูดีดูดีไปเป็นวิธีการศึกษาที่ปตมว่าเข้าท่าผู้บรรยายบรรยายไปแล้วห้พอเราสรุปหรือว่าวิจัยวิจารและถาม มันก็เกิดความครบเกิดความสมบูรณ์ในตัวมันเองในขณะที่กำลังใหม่ใหม่ตีเหล็กร้อนๆใช่มมันยังไม่หายไม่ค้างไม่เสียเวลาไปไหนมันก็ได้ประโยชน์เวลาเราพอมีสองชั่วโมงนี่ทำได้ถ้าน้อยนักก็คงไม่ไหวในเวลาชั่วโมงหนึ่งแบ่งไปสัก40นาทีกับ0นาทีอะไรก็อาจจะพอได้วิจัยวิจารณ์ยบรรยาย40อะไรเนี่ย นะมันก็พอได้แต่มันก็น้อยนะ ส, ำสำหรับอาตมารู้สึกนะว่า40นาทีบรรยายมันน้อยวิจัยวิจารย์20สยิ่งน้อยใหญ่แต่ถ้าชั่วโมงเนี่ยแบ่งคนลชั่วโมงเนี่ยเออเขาถามนะอาตมาจะพูดถึงเรื่องความคำว่ามีและไม่มีเนี่ยข่าวๆแล้วค่อยเจาะลึกเพิ่มเติมขึ้นอีกอาตมาว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องไงในพระเตพรดลเรื่องสบหเนี่ยมีขยายความมันนี้ไว้หลายตอนแต่ตั้ยังไม่ได้อ่านตลอดว่าจะอ่านตลอดแต่มันก็ไม่ได้อ่านจนแล้วจนรอดอ่านไปตรงนั้นเปิดตรงนั้นอ่านเออเจอตรงนั้นอ่านสลับไปมาสลับมาไม่ได้อ่านอย่างเรียบเรียงอย่างตลอดตั้งแต่ต้นไล่ไปท่านทานอมาเรียบเรียงต่อสูตรสูตรเอาไว้มันขยายกันดีนะ <Yeah. S 1> แต่ก็คิดว่ามัน ก็คงจะได้หมดสักวันหนึ่งจนได้อไปเรื่อยๆนะมันเอาเข้าสู่คําว่าความมีหรือไม่มีก่อนเอาตัวนี้ในพระไตปิฎกเล่มสิกเนี่ยข้อ43สนะวันนี้รู้สึกเสียงดีมากเลยว่าไหมโอ้เสียงดีมากเลยคุณสุริยันทำซะดีมากเลยขอบคุณอย่างยิ่งทําให้เสียงได้ยินดีได้ยินมากได้ยินชัดเจน อาตมาก็ไม่ต้องต้องจอปากไว้ที่นี่อะไรโอ้โหมันต้องใกล้ๆหน่อยอะไรนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นประมาณนี้ก็ดีแล้วชัดเจนดีเอาอ่านพระสูตรข้อ4 3่สนี่เฉพาะข้อ43แล้วข้อ44ขยายเพิ่มอีนิดหน่อยเอาต้นก็ได้คําถามของกัจจายณนะไม่ใช่กัจจายณนะกัจจานะ จานะโคตกัจจานะถามพระพุทธเจ้าถามสั้นๆนะถามว่าสมาธิสมาธิถามว่าคำว่าสมาธิดัง น, นี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่าสมาธิถามแค่นี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรชื่อว่าสมาธิความเห็นถูกต้องความเห็นชอบแล้วความเห็นดีแล้วตรงแล้วเนี่ย กินความไปในสึกสิ่งที่เป็นบวกหมดเลยคำว่าสัมมาเนี่ยโดยเฉพาะกินความไปถึงวิชาของพระพุทธเจ้าถูกต้องตามวิชาไม่ใช่ความรู้โลกโลกความรู้โล ก, กุตระอ่าสัมมานี่คือความรู้โล ก, กุตระถามว่าเหตุเพียงเท่าไรหนอชื่อว่าสัมมทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าดุขรกัจจานะโลกนี้ ฟังดีๆนะถ้ามีไอ้อะพ อ, อร์ตมีไอ้ฮะพอร์ตพอร์ตมีอะไรพวกนี้นมันจะดีมากเอาละค่อยๆเป็นไป น, นัโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างฟังดีๆนะท่านพยายามแปลมาพยัญชนะไม่ให้ตกหลน่น เท่าที่ท่านมีภูมิธรทำช่วยกันแปลมาก็ดีมากและอรรมาก็ขอบคุณแต่ตรรมาก็ยังมีในยะที่จะวิจารณ์วิจัยบ้างอยู่เสมอส่วนสองอย่างคือความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่งก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกนะอันนี้ขอวงเล็บภาษาบาลีท่านบอกว่าโล ก, กะสมุทยัย โลกสมุทัยหรือโลกสมุทยัยโลกสมุทยัยะความเกิดแห่งโลกท่านแปลว่าความเกิดแห่งโลกซืือว่าเหตุให้เกิดโลกก็แหละถ้าจะแปลตรงตัวเป๊ะสมุทัยก็คือเหตุเหตุให้เกิดโลกอยู่บุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความไม่มีในโลกย่อมไม่มีนี่แหละภาษาที่ทาให้หัว ตีดินนะบุคคลที่เห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปรรยัญญาเห็นความเกิดแห่งโลกแล้วนะเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งตามเป็นจริงแล้วเนี่ยความไม่มีในโลกย่อมไม่มีความไม่มีในโลกย่อ ม, ม, มไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีสองคำนี้ไม่สองคำนี้อันนึงไม่มีในโลกอันนึงย่อมไม่มีสองคำนี้นนนนนนพระบาลีท่านแยกใช้กันคนละค ความไม่มีในโลกท่านใช้คำว่านัตถิโลเกนัตถิตาส่วนมีนี่ยท่านใช้คาว่าไม่มีตัวหลังเนะ่ย ใ, ใช้คำว่านาโฮตินาโฮตินะท่านใช้คำนั้นส่วนคำไม่นี่ยท่านใช้คาว่ า, าใช้คาว่านัตถิตานัตถิ นัตถิเนะีนัติตาก็เป็นคำนาม <Okay. S 1> เรียกว่าความไม่มีเป็นคำนามก็เป็นความไม่มีโลเกก็โลกท่านก็ถึกแปลว่าความไม่มีในโลกซาณโฮติย่อมนะโฮติไม่มีนะทีนี้อีกอันหนึ่งต่อมาเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกอันแรกในความเกิดแห่งโลกโลกกส ม, มุตไทย อันหลังนีคนนนน่ความดับแห่งโลกโลกนิโรธอันนี้โลกนิโรธความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วเหมือนกันเห็นสมุทัยก็ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงเห็นโลกความดับของโลกก็ด้วยความเป็นจริงด้วยปัญญาเป็นความจริงคือปัญญาที่ถูกต้องทั้งคู่เห็นสมุทัยก็ถูกต้องเห็นนิโรธ ก, ก็ถูกต้องเ ป, ป็นผู้เห็นด้วยปัญญาทั้งคู่ เพราะผู้ที่เห็นด้วยปัญญาเห็นนิโรธนะเห็นนิโรธเห็นโลกดับถ้าจะแปลงตรงตัวก็เห็นโลกดับเห็นความดับแห่งโลกคือโลกมันดับอ้นอนโลกมันยังอะไรเป็นสมุทัยก็รู้ว่าสมุทยัยนผะู้ที่เห็นโลกดับก็คือความมีในโลกย่อมไม่มีความมีในโลกย่อมไม่มีนะ เนี่ยนะเป็นภาษาที่โอ้โหหัวตีดินเลยนะเพราะภาษาไทยไมันมีเท่านั้นมีก็ไม่มีแต่ภาษาบาลีแม้มีและไม่มีสองอั น, นท่านยังใช้คำมีและไม่มีต่างกันคำว่าไม่มีนัตถิกับนะโหติอันหลังเนี่ยความมีในโลกท่านใช้คำว่าอัตถิ โลเกอัติตาอันแรกโลเกนัติตาอันหลังนี่นิโรธนี่จะใช้ว่าอัติโลเกอัตติตาย่อมไม่มีตัวเดียวกันอันหลังอันแรกก็อันเดียวกันคือหน้โหติอันหลังก็น้โหติอันแรกโลเกนัติตาซานะโหติ อันหลังเนี่ยโลเกอัตติตาซาณโหติทีนี้ท่านก็ต่อขยายความในข้อ43นี่ว่าโลกนี้โดยมากยังพัวพันด้วยอุบายอุปทานและอภินิเวศนะท่านบางอันท่านไม่กล้าจะแปร ى, ท่านก็ทับศับนะ ทำผู้ช่วกันแปลนี่ก็ทับศัพท์อุบายอุปายะมันเป็นภาษาไทยแล้วก็อันเดียวกันนะอุปทานและอภินิเวณเดี๋ยวค่อยขยายความด้วยกันแปลแต่พระอริยาสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมันหมายความว่าพระอริยาสาวกโลกเนี่ยโลกนี่มันจะต้องพัวพันอยู่กับอุบายอุปทานและอภินิเวณ แต่พระอริยสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมันไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายและอุปทานนั้นอันเป็นอภินิเวศและอนุสัยอันเป็นที่ตั้งแห่งจิตว่าอัตตาของเราดังนี้นะลงท้ายเลยว่ายึดเป็นอัตตาของเราอัตตาเมตติอัตตาของเราอัตตาเมติดังนี้ ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นย่อมมันเกิดขึ้นเมื่อทุกดับย่อมดับเนี่ยกระปั้นทุกดินนะผู้ที่รู้จริงแล้วเนี่ยรู้ว่าทุกเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทุกดับก็คือทุกดับเพราะนั้นผู้ใดขออธิบายแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าผู้รู้ทุกเกิดขึ้นและตามหาเหตุแห่งทุกไดบดับเหตุทุกก็หาย ก็จะเป็นผู้เห็นทุกดับหรือมันเกิดหรือไม่เกิดใช่ไหมมันเกิดหรือไม่เกิดแต่ผู้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยจะต้องเห็นความเกิดของทุกขมาก่อนเห็นเหตุอยู่หือแล้วก็ได้ดับเหตุมันจริงๆจึงรู้หมดรู้ทั้งทุก์รู้ทั้งความดับทุกและรู้ทั้งวิธีดับ แต่มีวิธีใดถึงดับได้เนี่เป็นสัจจะเป็นอริยสัจนะทุกนั่นแหละบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้นทุกเมื่อดับย่อมดับพระอริยาสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้อริยาสาวกมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นโดยคืออะไร คือความเชื่อนั้นมันเชื่อเพราะมีของจริงเป็นวิทยาศาสตร์เห็นเองเห็นความทุกข์กเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ดับเหตุแห่งทุกข์และก็ทุกข์ไม่มีในจิตมันไม่มีคือเม่ความไม่มีในในทุกมนอาการทุกอย่างมันไม่มีเนี่ยอาการนี้มันไม่มีนั่นเป็นญาณเป็นสมปัญญาเป็นปัญญาอันรู้ยิ่งเองของตนเองจริงๆเลยจึงเป็นคนรู้แจ้งเห็นจริงอันที่มันเกิดของตนเองเกิดของตนเองดับ ไม่ได้ไปเชื่อคนนั้นว่าไม่ได้เชื่อคนนี้สอนพระพุทธเจ้าสอนมาท่านก็สอนปฏิบัติตามท่านก็ไม่เห็นเองไม่ได้เชื่อท่านสอนแต่อันนี้เลยท่านสอนมามาเชื่อที่เราประสบการณ์เองเป็นฟิโนมินั่นของตนเองเลยเป็นปรากฏการจริงเป็นปาตุภาวะของตนเองปาตุสัจจ์ฟิโนมินอน เขาตนเองเลยเกิดปรากฏการจริงของตนเองปรากฏให้ตนเองได้รู้ได้แจง้งได้เห็นได้เข้าใจเองเห็นเองรู้เองชัดๆนะแล้วก็จึงว่าชื่อว่าไม่เชื่อผู้อื่นตามหลักการลามาสูตรไม่ได้เชื่อใครเชื่อเมื่อเกิดจริงเป็นจริงมีจริงคนตนเองเห็นแจง้งเองรู้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้และสัจกจกจานะจึงชื่อว่าสมาธิอะ สมาธิทิฏทำไมมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเห็นไหมว่าสมาธิทิฐิมันไม่ได้ตื่ น, นเลยและพระพุทธเจ้าสรุปว่าด้วยเหตุเพียงตัวนี้แหะจัดจานะสมาธิทิฏฐิที่ถามมาเหตุไปเหตุเพียงเท่าไรหนอเพียงเท่านี้รู้แต่คําว่ามีก็ไม่มีเท่านี้ๆๆๆเอาอา่านอีกข้อหนึ่งข้อ44 อันนี้มันกัจจานะโคดสูตรมันมี3ข้อเนี่ยข้อ่อ่านไปแล้วว่าคำถามของกัจจานะว่าสมาธิเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่าสมาธิและข้อ43ท่านตอบแล้วก็ขยายความไปอีกดู ด, ด, ดูดูกระกัจจานะส่วนสุดข้อที่หนึ่งไอ้ยาเดี๋ยวไม่ได้ดูเ ว, เวลาเพลินเลยหรือมัยังยงเต้องระวังเวลาอยู่เรื่อย ดูกรกัจจานะส่วนสุดข้อที่หนึ่งมีว่าส่วนสุดข้อที่หนึ่งนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ส่วนสุดนะส่วนสุดข้อที่หนึ่งมีอยู่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ส่วนสุดข้อที่สองนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีส่วนสุดอันนึงมีส่วนสุดอันนึงไม่มี ตถาขาแสดงทำโดยสายกลางไม่เข้าใกล้ ส, ส, ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอาวิชชาปัจจัยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยไม่เข้าไส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจุดๆๆดไปต่อตามปฏิสมุบตัต เพราะนเพรานามรูปจึงมีวินเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอย่างนี้เป็นต้นไปไล่ไปจนถึงทุกขโปาญาะ ไปถึงทุกข์เราถึงโสกชาติมีทุกข์มีโสกปริเทวะทุกขโทรมรัตอุปายาศเป็นตัวปัจจัยสุดท้ายชาติจึงเกิดอยู่ชาติมีสิ่งหนอเนี้ยโสกปริเทวะทุกขโทรมรัตอุปายาศนี่เป็นปัจจัยสุดท้ายนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารจึงดับเพราะอาวิชชาดับสังขารเป็นปัจจัยของอวิชชาจึงดับเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารดับดังกล่าวนี้แล้วเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยน่ะ เมื่อสำรอกอวิชานะั้นสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเมื่อสังขารดับอวิชาก็ต้องมีวิชาสังขารจึงจะดับได้ใช่ไหมถ้าไม่มีวิชาสังขารมันดับไม่ได้เพราะสังขารมันมีอยู่มันไม่ดับเพราะมันอวิชาแ้ะก็มีสังขารเป็นปัจจัยมันสังขารดับเหตุทาให้เกิดสังขารดับเหตุหรือปัจจัยเนี่ยมันดับ เพราะฉะนั้นปัจจัยต่อจากสังขารก็วิญญาณก็เป็นปัจจัยสังขารนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณอายตนะก็เป็นปัจจัยของนามรูปผัสสะก็เป็นปัจจัยของอายตนะเวทนาก็เป็นปัจจัยของผัสสะตัณหาก็เป็นปัจจัยของเวทนาอุปทานก็เป็นปัจจัยของตัณหาภพก็เป็นปัญหาของอุปทานชาติก็เป็นปัญหาของภพ โสกปริเทวทุกขโทมันรูปายาสก็เป็นปัจจัยของชาติใช่ั้มใครจำปฏิสูบททั้งหมดได้บ้างนะตะมาไล่ไปแล้วก็ยอกย้อนตามตามที่ท่านอธิบายตามที่ท่านสาทยายบอกสอนนี่แหละไม่ได้ออกนอกอันนี้ะนะเพราะน้ำคำว่าอวิชชาดับอวิชาวชานั่นแหละดับอวิชชานั่นแหละดับ ด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือก็หมายความว่าหมดแล้วอวิชชาเมื่อหมดมันก็เป็นวิชชาตกลงวิชามีไหมมีไห ม, ม, มอวิชามีไหมตอนนี้ไม่มีต้องเข้าใจคำว่ามีก็ไม่มีนะสำคัญน ะ, อะตอนนี้ดับเนี่ยดับแล้วมันก็ยังมีสิ่งมี เพราะฉะนั้นย้อ น, นไปหาคำว่าคำว่ามีผู้เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีมันเป็นภาษาซอนความมีในโลกย่อมไม่มีคือเมื่ออวิชาดับสังขารดับ ก็มาถึงสังขารไม่มีใช่ไหมเมื่อสังขารดับวิญญาณดับนามรูปัดับอายตนะดับปัตสะดับเวทนาดับตระหนัดับอุปทานดับภพดับชาติดับทุกขโทมต่างๆทุกปริเทวนาการโทมนาทุกกายสะดับหมดทั้งยวงทั้งสายใช่ไหมดับทั้งสายเพราะฉะนั้นความดับนั้นคือไม่มี แต่มีความมีไหมเออค่อยๆไขขึ้นมาแล้วความมีก็มีอยู่เพราะฉะนั้นความมีในโลกย่อมไม่มีไม่มีนี่หมายความถึงความหมายอันสุดส่วนไม่มีอันนี้ก็คือนาโหติพยัญชนะท่านใช้อันนั้นบาลีแต่ภาษาไทยมันมีก็ไม่มีมันมีสองคำเท่านั้น คำหน้าคำหลังก็มีไม่มีอันต้นก็ไม่มีว่าความไม่มีในโลกนะ่ะอันต้นย่อมไม่มีคนก็มืดหน้าเสียภาษาไทยมันซ้ำแต่ถ้าบาลีท่านใช้นัตถินัตถิตาแล้วไอ้มีภาษาบาลีก็โหติแต่หนโหติมันก็คือไม่มีแต่ณโหตินี่นมันยืนยืนยืนกลานเลยทั้ง ความไม่มีความไม่มีในโลกกับความมีในโลกท่านยืนกลาง น, นะโหติทั้งคู่ใช่ั้มแต่ไปไขที่ว่าโลกสมุทไทยกับโลกนิโรธเพราะงั้นความดับนี่มีความมีอะไรดับอะไรมีอะไรดับอะไรมีเอาวิชาดับสังขาร นั่นแหละสังขารมีอันนี้แหละคือความมีเมื่อความดับแห่งโลกด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีอันตน้นยังไม่เกิดความดับแต่รู้ความดับไม่ใช่รู้ความเป็นสมุดไทยโลกสมุดไทยรู้แล้วโลกสมุดไทยเหตุเป็นสมุดไทยเหตุมันทาให้ไม่ดับ เพราะเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงคำว่าปัญญาอชอบตามเป็นจริงนี่คือวิชาถ้าปัญญาอันไม่ชอบตามเป็นจริงคืออวิชาเพราะเมื่อปัญญาอันชอบตามเป็นจริงรู้สมุทยัยโลกที่ยังมีสมุทัยด้วยรู้รู้นะ ความว่าคำว่าไม่มีในโลกก็หมายความว่าสมุทัยนี่แหละไม่มีในโลกแต่สังขารยังมีในความมีเมื่อมันดับเมื่ออวิชชาดับด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงโลกที่อวิชชาดับก็มีความมีในโลก ผู้นี้แหละคือผู้ที่บรรลุความไม่มีณโหติผู้ที่รู้ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงในความไม่มีในโลกก็คือต้องทำสมุทัยให้ไม่มีนัตติเป็นการกระทำเป็นตัวบอกผลถ้าทำผลไม่มีไม่เกิดผลคือนัตติถ้าทำเกิดผลเรียกว่าอัตติ เพราะฉะนั้นคำว่านัตถิกอัตถิจึงเป็นตัวมรรคโหติเป็นตัวผลเช่นในสมาธิสิท่านใช้คำว่านัตถิกอัตถิมิจฉาก็คือทำทานไม่มีผลนัตถิโลเก ท, ทินนังทานแล้วไม่มีผลก็คือนัตถิทินนัง ในโลกนี้ไม่เกิดผลโลกนี้ทานไปทําทานจิตก็ไม่เกิดผลไม่เกิดผลอะไรไม่เกิดผลที่ทำให้กิเลสถูกชำระเป็นบุญไม่ทำให้การลดกิเลสได้เพราะทําทานที่ไม่มีปัญญาทําทานที่ทําไม่ถูกทําใจในใจไม่เป็นอย่างทีอธิบายไปมากแล้วทําทานโดยทําใจไม่เป็น กลับไปทำทานให้ใจมันกิเลสเพิ่มอยากได้หนักกว่าเก่ามันเกิดกรรมเลยนะเกิดมโนกรรมจริงๆเลยตั้งจิตจะเอากวามากกว่าเก่าแทนที่จะตั้งจิตให้ลดลงสละออกกิเลสลดความโลภลดนี่ทำให้กิเลสอ้วนกิเลสโตงกิเลสมากเป็นกรรมโดยตั้งจิตทำจิตให้อยากเป็นตัณหาอยากได้มากกว่าเก่าแทนที่จะลดตัณหาเพราะการทาน แล้วก็ทำใจในใจเป็นอะโยนิโสไม่ท่องแท้ไม่แยบคายไม่ทำให้เกิดไม่รู้จักที่เกิดโยนิโสไม่ลงไปถึงที่เกิดแล้วก็ไม่ทำให้จิตอาริยะเกิดทำลายจิตอกุศลนองให้ได้ไม่ได้ทำกรรมไม่ได้กรรมไม่มีกรรมไม่มีการกระทำใจในใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ รู้สมุทัยด้วยญาณแต่ไม่ได้ทำแม้ไม่รู้หรือรู้ก็ตามถึงรู้คุณรู้เลยนะรู้ว่าสมุทัยมีอยู่แต่คุณนัตถิคุณไม่ได้ทำให้เกิดผลผู้รู้อย่างนี้ก็ต้องทำให้ได้เพราะนัตถิเป็นหน้าที่ต้องทำไม่มี ผลต้องให้มีผลเป็นหน้าที่ต้องให้เป็นอัตติมีความซ้อนลึกที่ว่าเมื่อรู้แต่ถ้าผู้ไม่รู้สมมติว่าไม่ถ้าไม่ได้ตรัสคำว่าด้วยปัญญาอันยิ่งตามเป็นจริงแล้วถ้าไม่ได้พระมตร ด, ด้วยไม่มีปัญญาตามเป็นจริงทาไมไตรัสอย่างนี้ถ้าตรัสแม้จะรู้รู้โลกสมุทยัยหรือความเกิดแห่งโลก ตามปัญญาอันชอบทมเป็นจริงนัตถิของคุณก็ยังเป็นนัตถิอยู่ความไม่มีพ้นยังเป็นอยู่แต่เอาเถอะซานี่ก็หมายความว่าคุณเรียนรู้และทำให้มันเป็นนิโรธแล้วคุณก็จะนาโหติแต่คุณยังทำไม่ได้นัตถิของคุณก็ไม่มีพ้นถ้าคุณทำเป็นอัตถิคุณก็จะบรรเกิดเห็นโลกนิโรธ โลกนิโรธอันนั้นโลกมีแต่สมุทยัยเห็นแต่สมุทัยยังไม่เคยเจอนิโรธแต่อันหลังนี่คุณจะเจอนิโรธเพราะเมื่อเกิดผลอัติในโลกมันมีผลในโลกโลกเก อ, อัติตาความมีผลในโลกคุณอยู่ในโลกความวนเวียนและคุณก็ทำให้เหตุในความวนเวียน ที่มันเป็นตัญหาเรื่องไหนก็แล้วแต่ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอริยสัจคุณทาให้มันดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันหลังท่านถึงไขว่าไม่ใช่อันหลังต่อจากนี้ว่าโดยมากโลกโดยมากยังพัวพันด้วยอุบายและอุปทานและอภินิเวศอุบายคือเครื่องยังพัวพันอยู่ในเครื่องทำให้ออกอุบายเครื่องความฉลาด ที่จะกำจัดกิเลสแล้วก็ตัวกิเลสก็คือรากเหง้าขออุปทานและยังแถมอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นอภินิเวศอภินิเวศแปลเอาอย่างสำนวนโพธิละ ก, ก็คือมันตอกเข็มปักหลักลงแหล่งเลยเรียกว่าที่อยู่อภินิเวศในแปลว่าที่อยู่แทนที่มันจะอยู่แล้วก็มันก็มีจะ่อยู่ ไอ้นี่มันสร้างเรือนเลยอภินิเวศก็แปลว่าบ้านเรือนเลยปักหลักลงแรงอภินิเวศเป็นที่อยู่ถาวรเลยอภินิเวศนี่มันสูงกว่าอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นอภินิเวศนี่มันจะยึดมั่นถือมั่นตอกหลักลงแรงเลยนะตักอภินิเวศอภินิเวศสายอภินิเวศเนนะ หอุบายเครื่องออกเพราะฉะนั้นยังรู้จักอุบายแม้ให้อุบายมีความฉลาดเห็นด้วยปัญญายอย่างไรก็ตามอุปทานกับพินิเวศเนี่ยเมื่อแต่อริยาสาวกนะท่านว่าต่อจากว่าพัวพันอยู่ในอุบายอุปทานและอภินิเวศแต่พระอริยาสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นเข้าไปแต่ไม่ลงหลักปักแหลงไม่เข้าถึงเนี่ย ไม่เกิดมือกับพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่เคยเกิดในสุทาวาทห้าแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้จักสุทาวาทห้าท่านเข้าท่านผ่านท่านรู้ท่านสัมผัสไม่สัมผัสไม่มีหรอกทุกอย่างรูุ้จ้กสัมผัสหมดแต่ท่านไม่ไปปักหลกักปักแหล่งอยู่ก็ไออภินิเวศไม่ไปทําอยู่ที่นั่น มายึดมัน่นไม่ถือมัน่นไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายและอุปทานนั้นอันเป็นอภินิเวศและอนุสัยเติมคําอนุใสเข้ามาอีกตกผลึกกองแน่นอยู่ในอนุสัยตกกล่นมึงของจิตเลยอันเป็นที่ตั้งแห่งจิตว่าอัตตาของเราก็กลายเป็นอัตตาเลยดังนี้ ย่อมไม่เครือครแงสงสัยว่าทุกนั่นแหละไม่บังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดประทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดไม่ใช่ไหมเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดทุกเมื่อดับย่อมดับเพราะฉะนั้นมันเกิดทุกเพราะเหตุแห่งทุกไม่ได้ดับเหตุแห่งทุกทุกมันยังอยู่ดับแล้วทุกก็หมดไม่ดับเหตุแห่งทุกหมดทุกก็หมดเมื่อทุกดับยุบย่อมดับพระอริยสาวกมีญานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลย ต้องปฏิบัติจนเห็นเองรู้แจ้งเองเห็นเองด้วยตนเองปัจจตังไว่ทิฏฐิโพวินยูฮี he. ไม่ได้เชื่อใครไม่ได้เห็นของใครเห็นของตนเป็นของตนด้วยเหตุเพียงตัวนี้แหละสมาธิิเพราะคําว่าสมาธินี่มันไม่ใช่ตื่ น, นเลยเห็นไหม <c oughs> ไม่ใช่ตื่ น, นเลยลึกแสนลึกนะ อัตมาที่จริงเตรียมข้อร้อยหกสิบหกมาอีกนะมาเพื่อจะอธิบายแต่ข้อร้อยหกสิบห้าร้อยหสิบหกนี่โรดสูตรแต่มันเวลามันไม่อยู่แล้วบอต่อแล้วเวลามันไม่อยู่มันไปหมดแล้ว ก็เลยต้องค้างไว้ต่อในวันต่อไปนะก็กนาไว้หอยก่อนก็ได้ในข้อร6 5ยหกาพุธิยาท่านอธิบายว่าความดับแห่งโลกเป็นชไหนก็จะได้ขยายความความดับความมีสมุดไทยแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรจะได้ชัดเจนขึ้นอีกนะแต่ตอนนี้ก็ต้องวักก็ต้องพัดก็ต้องหยุดก่อนนะ ถ้าไม่ยุดก่อนมันก็ไม่ได้แล้วแล้วอาตมาจะได้ไปอธิบายถึงสังขารอภิสังขารไปอีกในอภิสังขารสามปุญญาภิสังขารอภญญิสังขารนานเนจาภิสังขารซึ่งเป็นปัญหามากเขาเลยไปอีกนิดนึงอาตมาตอนนี้กำลังเขียนหนังสือบุญค่าบุญคือบาปเนี่ยกำลังไปเอา ความเห็นของท่านพุทธทาสมาม า, มายืนยันมาเขียนขยายว่าท่านพุทธทาเห็นคําว่าบุญกับผู้สนของท่านคนละขั้วกันมาเลยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะอภิบาลเพราะเหตุที่ขนาดปราผู้รู้ทางศาสนายอมรับกันทั่วโลกอย่างท่านพุทธทาอยังพลอยเชื่อว่าบุญเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร จะได้ขยายความสู่ฟังก็เพราะว่าโลกครอบงำทางความคิดจนเห็นว่าบุญมีความหมายอย่างนั้นมันก็แสดงว่าท่านพุทธทาสยังไม่ถึงสภาวะของบุญเอาความเป็นอยู่ของโลกไปเอาส ม, มุิเท่านั้นท่านไม่ได้เข้าถึงปรมาติฐ์ก็เอาส ม, มุติที่โลกรับกันรู้กันยึดกันว่าบุญเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างที่เขานับถือกันทั้งนั้นนะ คือมันบุญก็คือสิ่งที่ยิ่งทุกวันนี้ค้าบุญขายบุญเต็มเลยนะสำนักไหนก็ค้าไม่มากเท่าสำนักธรรมกายค้าคำว่าบุญพิเศษบุญใหญ่บุญสวยบุญหรูบุญราบุญงดบุญงามปรุงแต่งมาคำว่าบุญโอ้โหใส่ชดาใส่อะไรต่ไรดราม่ากันขนาดหนักเลยเป็นดรามาติกกัน นักนาสางหัดเลยขออภัยนั่นไม่ได้ไปด่าเขาหรอกแต่วิจารณวิจัยในเชิงการศึกษาในเรื่องของการศึกษาวิชาการก็พูดให้ฟังแล้วก็ค่อยขยายความอาตมาเขาอยืนยันว่าอาตมาไม่มีกิจที่จะไปไปชอบไปชังใครหรอกไม่ได้ชอบไปชังใครแต่ว่าวิชาการมันก็ต้องพูดเท่านั้นเอง เอามาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปชอบไปชังแต่เราพูดวิชาการนะอ่ะหมดเวลาสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ก่อนมันเลยเวลาไปตั้ง 10, 10นาทีมาตอนนี้ทุ่ม14นิการเรือนน้เกือบเกือบ20 1สแล้วส้าแล้วต่อจากนี้ก็อใครจะช่วยสรุปวิจารณ์และจักถาม เชิญใครจะช่วยสรุปก่อนสมณะนะจะให้สมณะก่อนไหมแต่สมณะจะบายไปให้สิกมาชก่อนก็นเอาหรือไม่สักสิกมาชแล้วก็มาเือนันนักศึกษา น, ะนิสิตเองจะสรุปใครจะอาส า, าสรุปแต่ถ้าไม่สรุปอาส า, ามันจะเยอเยสิ สิกมาดเรื่อสมณะก็อย่าไปเยินเยอะนะสรุปไม่ใช่เหาะความเยินเยอนนะสรุปสรุปคือความสั้นสั้นได้เท่าไหร่คือสรุปเท่านั้นถ้าเยินเยอะมันก็ยิ่งไม่ใช่สรุปแต่เท่านั้นเองเอ่าวว่าไงบายเหรอค่ะสมณนะ อ, าาอา่าวสิกมาก็อกลบนมสการค่ะอ่าสิกมาดขมีขมันกว่าสมณนะมสิกมาด<ห>นะอินเนอร์แล้ว <laughs> ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในสัมมาทิฏฐิซึ่งก็คิดว่ามีแค่สัมมาทิฏฐิ10เท่านั้นแต่สัมมาทิฏฐิวันนี้นี่ชัดเจนเรียกว่าในความมีกับความไม่มีนะคะมันก็คืออะไรที่มันบรรุ้ธรรมนะคะสัมมาทิฏฐิก็คือจนัรรูุธรรมนั่นแหละสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ในที่บอกว่าเห็นความเกิดแห่งโลก แล้วเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะความไม่มีในโลกยังไม่มีมันก็เหมือนกับถ้ามันยังเกิดอยู่สมัยก่อนหรือในปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะความไม่มีในโลกก็คือความมีใช่ค่ะความไม่มีความไม่มีในโลกก็คือความมีคุณยังไม่เกิดคุณยังไม่เป็นมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะไปถึงขั้นคุณยังมีโลกอยู่คุณจะไปถึงขั้นไม่มีได้ไง ก็นัโหติมันไม่ได้นัโหติคุณยังโหติอยู่เลยใช่ค่ะเหมือนย่งกับสมัยก่อนที่เรายังเมื่อเราเป็นเด็ ก, เ, ดกเนี่ยเราสุกโอโ้โหตุกาตาที่มีความสุขสําหรับเราจริงๆเลยนะคะจะไอ้เรื่องความไม่ไม่มีความสุขในตุกาตามันไม่ใช่เราแล้วเรามันไ อ, อ, อ้ความไม่มีมันไม่มีในเราเพราะเรามีอ่ะนะเราอกโอตุกาตามีความสุขมากนะเ ด, เดี๋ยวมันจะสลับกันอีก ค, ความมีมันไม่มีในเรา อันนั้นท่านใช้ว่าความไม่มีไม่มีมรรคผล<ะ>พอความมีมรรคผลอันหลังนี่ความมีในเราแล้วมันถึงจะจบเมื่ไม่มีเพราะงั้นเนี่ยฟังดีๆจับให้ดีคําว่ามีไม่มีภาษาไทยมันไม่แยกแต่ภาษาบาลีท่านแยกนัตทิกอัตทินี่ย้ำแล้วว่ามันคือผลของการปฏิบัติมีผลหรือไม่มีผลอย่างสมาธิทิสิบมิจฉาทิสิบเนี่ยคุณทําทานไม่มีผลท่านก็ใช้คำว่านัตทิทำทานมีผลท่านใช้เขาใช้ว่าอัตทิ อย่างนี้เป็นต้ น, นอ้าวค่ะแต่พอในเรื่องของเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกนะะอย่างเช่นเราสามารถลดละอะไรได้เมื่อก่อนเราเคยติดยึดผูกพันว่านั้นเนะ่มันเป็นจริงจังของเราซะเหลือเกินน ะ, ะโหรักกันจะตายจะเป็นนะะอ่านจดหมายกันอะไรต่างๆ <c oughs> มันมีความสุขซะเหลือเกินนะคะแต่เมื่อเรา สามารถอยู่เหนือได้แล้วเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระสำหรับเราจดหมายนั่นมาอ่านอีกเป็นไงมันก็ตลกดีค่ะนะคะมันจะไม่ดีที่จะเห็นความสุขเข็นตลกเราค่ะมันตลกโอ้โหเราก็เป็นโจกคนหนึ่งเนาะใช่ยึดมั่นเป็นตัวโจกของนิยายในโลกค่ะก็หลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรอดรับได้จริงๆแล้วความมีน่ยไม่มีในเราอ่ะความมีในโลกเนี่ยนะคะมันก็ย่อมไม่มีจริง แถมอีกไอ้ที่ยังงั้นไม่ชัดแต่ที่จริงก็ชัดนะความสุกกระทุ ก, กตาเนี่ยจริงๆมาโตไม่ได้ปฏิบัติมันก็หายได้อันนีนี้มันยากเพราะนั้นรสอร่อยของคุณเนี่ยรสอร่อยเนี่ยคุณติดเข้าไปแล้วโอ้ทําไมมันยังไม่หายอร่อยสัก ท, ทีมันก็อร่อยอยู่างงนะั้นอร่อยอย่างงนะั้นแต่ถ้าคุณลดได้จริงลดเหตุลดอะไรจริงเกิดปัญญาจริงความอร่อยนะั้นลดจริงๆเห็นไหมอนนี้ากกรทุ ก, กตา ตุ๊กตามันง่ายแล้วมันก็เป็นได้ก็เคยรู้แหละแต่รสอร่อยนี่ยากกว่าเลยใช่ไหมมันใช่ไหมรสอร่อยเนี่ยหรือคนติดสนุกเนี่ยติดเอาใครยังติดบอลอยู่ยบ้างสนุกโก็ โ, โหดวยยังมีสนุกลุ้นมันมันมันอา ก, การอ่านอาการออกคนไหนอ่านจริงแล้วโอ้มันลดลงจลงัง เดี๋ยวนี้ไม่มันเลยเดี๋ยวนี้มันโอ้โหจัดจ้านโอ้เก่านะจัดจ้านโอ้เกามากเลยแต่มันก็ลดลงจริงๆหรือมันก็ไม่มีดูแล้วเฉออยๆดูเตะบอลชิงโอ้โหชิงโลกเดี๋นี้มันยิ่งจัดจ้านกองเชียร์กองส่งเสริมโอ้โหท่าทางนีลาโอ้โหมันไอคนไหนเตะเข้าโกได้มันไม่ยังงีม่เห็นสักคนมันเห็นยังงี้ทุกคนแหละดีไม่ดีกระโดดตีลังกากระโดดกอดกันตีขี่คอกันอะไรก็แล้วแต่ มันอุเพงคาปิติกันโนเ้ยเจ้าประคุณค่ะถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็จะเห็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยจริงจริงเลยเป็นจริงเพราะเราลดได้แล้วน่ะก็จะเห็นว่ามันไม่มีโอ้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยสาระมากไปวิ่งเล่นกับไอ้ลูกกลมๆอยู่ทําไมนะคะน่าจะไปทําอะไรที่มีสาระกว่านั้นสิ่งที่เราลดละได้จริงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันนั้นมันไม่มีในใจเราแล้ว มากระทบผัสสะด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันนี้มันไม่มีความไม่มีนะี่มันไม่มีจริงๆในเราแต่สมัยก่อนนั้ น, มนมไม่มีหรอกมันมี <laughs> นะคะก็เออรู้สึกว่าทราบซึ้งดีนะคะ <h ums> เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนในสมาธิทฐิ <h ums> ก็คิดว่าสมมาธิทฐิเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยสุดๆก็คือบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองค่ะมัศการค่ะ แถมให้ฟังเป็นนิทานีนนิดหนึ่งเขาเขียนโจกราไว้ในสนามฟุตบอลนะอยู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งถือลูกฟุตบอลขึ้นไปยื่นให้ไอ้คนที่เตะบอลเป็นการ์ตูนตลกมันก็เตะบอลอเด็กคนนี้ถือลูกฟุตบอลวิ่งก็ไปยื่นให้ไอ้คนเตะบอลกำลังเตะลูกฟุตบอ ล, ำลกำลังแย่งลูกฟุตบอลกันนะ เด็กนี้ก็วิ่งถือลูกฟุตบอลเข้าไปยัง่งไงเราบอกโอ้โหยั่งอะไรกันนะักหนาเราไปให้เองลูกเนี่ย <laughs> ใครมันฉลายกากันแน่กไม่รู้ว่าเด็กหรือว่าคนเตะฟุตบอลแกไม่รู้ <laughs> นี่คือการ์ตูนตลกเขาเขียนไว้ด <laughs> ย อ, อย่างพวกเราเคยพูดว่าโอ้โหนเด็กมันเห็นเตะฟุตบอลสองข่ายมันเตะกันไปเตะกันมาอไอ้ลูกก็บอกว่าแม่ เขาแย่งกันทําไมอ่ะอันเดียวกันนั่นเด็กไม่เงสะเขาแย่งกันทําไมไอ้ลูกนั้นอก่อนนี่คนเรายั ง, งโง่และไอ้คนที่ไม่เดียงสานี่เห็นเลยว่าไอ้คนนั้นโง่มันซอนแต่จริงๆคนนั้นเขารู้ว่าโอยมัน ม, มันเดียงสานไนเด็กไม่รู้เรื่องโอ้เด็กเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาก็โขเกมเขามันจะตายอเด็กกลับบอกว่า มองไปอีกแง่นึงบอกไปเชิงเออไ อ, อคนที่เด็กคนลึกสูตรลูกฟุตบอลไปให้อีกลูกหนึ่งคนก็หัวเราะกันทั้งสนามเอ็นดูเด็กคนนั้นซื่อของซื่อือทักว่าออแม่เขาแจ้งกันทำไมลูกแล้วนะซื่อเพราะงั้นไอความเป็นโลกความเป็นโลกีเ น, ลกกเนี่ยกลับไปกลับมา คนที่รู้จริงแล้วด้วยปัญญามันก็ไม่ใช่เด็กไม่เดียงสาแต่ว่ารู้ทั้งสองอย่างรู้ชัดเจนเลยแล้วก็จะเห็นว่าไอ้คนไม่เดียงสาเนี่ยไอ้เด็กมันไม่เดียงสานีมันเดียงสามันซื่อกว่าไอ้พวกนี้นะมอมเมาตัวเองมอมเมาตัวเองติดยึดไอ้คนไอ้บอลเนี่ยไอ้เด็กนะมันซื่อมันเดียงมันไม่เดียงสาแต่มันซื่อไอ้พวกนั้นไม่ซื่อพวกนั้นสร้างความคดให้แกตัวเองสร้างความโง่ความมอมเมาเมาให้แกตัวเอง ไอเด็กมันยังไม่เมามันยังไม่รู้เรื่องมันเอาอะไรวะเดี๋ยวเธอมันโตถูกหลอกมันก็ไปติดมันอีนกสร้างอาการติดยึดรูมั <c oughs> นอีกนี่คืออวิชามันซับซ้อนอ้าวทีนี้สรุปเลยเวลาแล้วมั้งสรุปอีกได้ไหมอ๋ออ้าวสมณะอีกนิดหน่อยวันนี้ได้ฟังตั้งแต่ต้นพระมาชาินิดหนึ่งพ่อครูวางพื้นฐานว่า ให้รู้สิ่งที่ไม่ดีก่อนแล้วก็แล้วก็ให้รู้สิ่งที่ดีสุดท้ายเนี่ยสอนเรื่องมีและไม่มีก็คือวิธีทําจิตให้บริสุทธิ์นะเป็นขั้นตอนการสอนของของพ่อครูที่ยังมีศิลปะนะท่านพ่อครูก็อธิบายเรื่องศาสตร์แล้วก็ศิลปะมีความแตกต่างนะคืออธิบายความไม่ถูกต้องของของศาสตร์ที่ไม่ดีก่อนนะว่ามันเป็นโทษเป็นภัยอย่างไร สตร์ไมีสุนทรีย์เป็นยังไงนะและศิละปะนี่คือเป็นศิละปะต้องเป็นศิละปะอนุดมสามารถมงคล อ, อนุดมเป็นมงคลอุดมมีมีสาระเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนําไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุดของชีวิตอันนี้คือศิละปะที่พระครูเน้นย้ําเน้นแล้วก็เน้นอีกนะคือต้องมีความรู้นะแล้วก็สุนทรียะนี่คือเป็นสิ่งอาศัยแต่อย่าไปติดนะนั้นพ่อครูเวลาที่บายก็จะมีเรื่อง คือเวลาเราฟังนิ่งมากเนี่ยพอครูก็จะหาเรื่องให้มันสนุกมันนิดหนึง่งจะทักว่าโอ้โหเงียบสนิทเลยนะเนี่ยนะแล้วก็จะหาสุนทรีให้เราแบบผ่อนคลายไปบ้างเนี่ยไม่ให้เราตึงมีศิลปะในการสื่อความหมายถ้าเราถ้าปีนบันไดฟังมากเดี๋ยวมันก็จะหลับใช่ไหมแล้วก็งะวงังแต่พ่อครูก็จะมีศิลปะทําให้เรามีสุนทรีนิดหน่อยแล้วก็เืนอเดินเบิกบานแล้วก็เน้นย้ําว่าศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่ศาสนาบื่อทื่อนะ เป็นศาสนาผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานคือมีสุนทรียะด้วยนะไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมแล้วก็มาลือ้อทื่่แข็งทื่อนะเดินตัวแข็งบ้างแล้วก็หรือว่าอย่างปฏิตรีขาว่านะศีลเคร่งแต่ว่าหาเรื่องหาราวคนอื่นไปทั่วเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานอันนี้คือเท่าที่ได้ไ ด, ได้ฟังมานะส่วนความมีไม่มีนั้นสิกมานพูดไปแล้วมันเรื่องลึกมากนะอธิบายก็สรุปว่า ทำได้โลกอะไรนะโลกสมุทัยไม่ให้มีให้ได้ประเด็นแล้วก็ให้หมดภาวะของความเป็นโลกสมุทัยให้ได้นะเกิดแม้แต่สิ่งที่กิเลส ท, ที่เรามีอยู่ก็ละลงไปให้ได้นั่นแหละก็จะเกิดความไม่มีในตัวตนให้ได้นะก็สรุปแค่นี้ครับทางนุทยกมือช่จริงเลยนะภาษาคำว่าโลก ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีเนี่ยจะแปลภาษาไทยชัดๆให้ฟังว่าตกลงผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่มีนะไม่มีในโลกเนี่ยสมุดไทยเนี่ยยังทำให้ไม่มีเนี่ยยังไม่ได้มันซับซ้อนภาษาทำให้ไม่มียังไม่ได้มันไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นคุณก็ยังคือผู้ยังไม่มี ใช่ภาษาประโยคแรกคืออธิบายซับซ้อนไปเลยอีกไม่รู้กี่ในกี่มุมเลยถ้าเรารู้สภาวะและภาษาจะอธิบายอย่างไรอย่างไรก็ไม่ต่างจากสภาวะอันเดียวกันแต่ภาษานั้นซับซ้อนสลับกันไปสลับกันมาเพราะงั้นคนถึงมุนไปมุนมาด้วยภาษาแสดงว่าประโยคแรกนั้นคือบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกโลกสมุทยัยด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีห ม, ม, มายความว่าเขารู้แต่ยังไม่ปฏิบัติทำประโยคที่สองนั้นเมื่อบุคคลเห็นความตับแห่งโลกโลกทีโลดด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความมีในโลกย่อมไม่มีหมาว่าเขาปฏิบัติแล้วลดละกิเลสแล้วก็เป็นผู้ไม่มีก็เป็นผู้ไม่มนะีเพราะฉะนั้นไออันต้นยังไม่มีมรรคผลก็อธิบายแล้วนัตถิอันหลังมีมรรคผลความมีในโลกก็ซาณโหติก็ย่อมเป็นผู้ไม่มี อ้าวสรุปแล้วที่นี้วิจัยวิจารณ์เอาไม่ไป <c oughs> ตกลงกับนักวิชาการพ่อท่านอ้าววิจัยวิจารณ์นะพอ่อครูถาม ใ, ใครจะเตรียมเขาถามไว้อีกสุดท้ายก็เตรียมไว้พ่อครูจะให้สรุปจะให้นิสิตสรุปไหมคะไม่แล้วใช่ไหมคะก็พ่อครูบอกว่าธรรมนา่าศึกษมากแล้วตอนนี้มันยีิบแปด นะถ้าสรุปไปอีกเอ้อีกสามสิบนาทีถ้าสรุปไปนี่คุณจะสรุปได้สองนาทีก็เหลืออีกสามสิบสามสิบต้องแบ่งคอนโดยี่าแล้วตกลงสรุปปลาเข้าไปทั้งอเกือบสามสิบนาทีสองท่านซิกมาและสมณ ะ, ะสรุปได้สองนาทีอรัขอบคุณค่ะเพราท่านพูดวิชาพุทธชีวศิลป์ การใช้ชีวิตของเราอยู่กับพุทธแบบพุทธโดยมีศีลพัะนักสงสัยมานานแล้วทำไมไม่ใช้คำว่าพุทธศาสตร์ฟังวันนี้เข้าใจหมดเลย oh. เพราะคำว่าชีวศิลป์เนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่มีศิละปะอันเป็นมงคลอันอนุดมและถึงสุดยอดแต่ถ้าใช้คำว่าพุทธศาสตร์เป็นความรู้แต่เสียงเพราะอาจจะมีศิละปะก็ได้ไม่มีศิละปะก็ได้และศิละปะที่ว่านี้ในพุทธชีวศิลป์ขาดสาระไม่ได้ จะต้องมีสาระอยู่ด้วยแต่มันจะต้องประกอบด้วยสองอย่างคือมีสุนทรีรยะกับสาระต้องประกอบกันไปพ่อท่านใช้มาตลอดในการอบรมศึกษาและเผยแพร่สัจธรรมค่ะแล้วพ่อท่านก็พูดถึงโลกทั่วไปนี้นะคะซึ่งก็ทุกคนคงรู้แ ล, ะละว้วล่ะว่าเขาเนี่ยมอมเมาหลอกลวงกันจนกระทั่งแอบ stract ออกมาเป็นยังไงพรักจะไม่พูดแต่จะพูดที่พ่อครูได้ใช้ศิลปะ คือสุนทรียะและสาระนั้นมาให้คนรับรู้โดยไม่ติดสุนทรียะที่พ่ะท่านใส่เข้ามาโดยความรู้นี้พ่ะท่านบอกว่าเป็นพุทธธรรมและระบุว่าเป็นของพระพุทธเจ้าพุทธชีวศิลป์ซึ่งใช้มา40กว่าปีมีอีกเยอะแล้วขยายว่าตลอดเวลาที่ทํามานั้นต้องอาศัยความรู้ของเทรวาท ด, ด้วยซึ่งเป็นยุคหนึ่งที่ติดชิดกับพระพุทธเจ้าอาจจะสองก็ได้ แต่แม้เป็นอาจารยยวาทซึ่งห่างไปรุ่นหลังๆมาเนี่ยพ่อท่านก็อาจจะใช้ถ้าท่านเป็น l e a r n e ต Man ซึ่งมีสาระก็พอจะใช้ได้นะคะและแม้แต่พระอภิธรรมซึ่งเขาก็บอกว่าต้องตัดทิ้งแต่พ่อครูบอกว่าการที่เขาเอาเป็นภาษาออกมาเป็นอภิธรรมแล้วกำหนดเอาเป็นอย่างนี้อย่างงี้ไม่มีใครที่จะกาหนดได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมาตัดทิ้งนั้นไม่ถูกต้องเลยไม่ไม่ใช่เลยไม่สมควรเลย สิ่งที่เขาเพราะว่าคนที่บัญญัติออกมาย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะจะไม่จะไม่บัญญัติในสิ่งทุทิเจ้าบัญญัติไม่ได้บัญญัติค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีมาทั้งหมดนี้พ่อครูก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็มาพูดเรื่องมีกับไม่มีนะคะเออตามคำจริงอฟรัเข้าใจผิดมานะคะในในในข้อหนึ่ง อันหนึ่งกับอันสองเนี่ยอันที่สองจะเข้าใจง่ายเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกโ ล, โลกอับ น, นิโรธนะคะก็คือเห็นโลกดับด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วคือคนนั้นมีวิชาก็ความมีในโลกก็ย่อมไม่มีถูกแล้วความมีต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็จะท่่าไมมีก็หายไปหมดก็เหมือนกับเพลงอริยะหมายเลขสามมันโอ้โลกนี้ไม่มีอะไร <c oughs> นั่นนะคะไปอ่านเพลงกันเลยอะอยหมายเลยสพระักษมีมีเวลาจะพูดแล้วก <c> ็ <oughs> <c oughs> คืออันนั้นนะคะแต่ที่นี่อันที่หนึ่งเรามาพูดอันที่หนึ่งดีกว่าเพราะว่าจะไม่ค่อยเข้าใจคือบุคคลเห็นความเกิดโลกสมุทยะเป็นหรือเหตุให้เกิดโลกเนี่ยด้วยปัญญาอันยิ่งตอนแรกพรักษมนึกว่าไอ้คนที่เห็นความเกิดพรักษมียังไปอธิบายที่เพื่อนเพื่อนที่ อ, อะไรนะอุทยานว่าถ้าคุณยังเห็นความเกิดเกิดเกิดเกิดอยู่เรื่อยอยู่ตลอดไปคุณไม่มีความดับเพราะฉะนั้น ความไม่มีในโลกก็ยังไม่มีคือสุญญาตายังไม่เกิดในจิตวิญญาณของคุณฟาลักอธิบายเพื่อนแบบนี้แต่พอมาฟังพ่อครูวนันนี้มันมันไม่ใช่ละบุคคลเห็นความเกิดแต่บุคคลนี้เห็นโลกสมุทยะอย่างมีวิ ช, ชานะไม่ใช่คนทั่วไปแบบคนที่อยู่ในโลกียะแต่คนนี้มีวิ ช, ชาแต่คนนี้ที่พอ่อครูพูดถึงในสมาธิฐิสิกะยังไม่ทา เออรู้รู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ทําไว้ปฏิบัติยังไม่ผ่านศิลปัติเพราะฉะยังไม่ผ่านนี้ไอ้นักธิของเขาเนี่ยจึงยังไม่เป็นอัตถิเข้าใจตามนี้ถูกไหมครับพ่อท่านถูกต้องแต่พระรักยังเนว่าสัญญาณสัญญาญตนะต้องฟังอีกจึงจะถึงขั้นสายขอบคุณค่ะเออว่าไงจะวิจารณ์หรือว่าจะสรุปสรุปพอแล้วนะมันเลยเวลาและเอาวิจารณ์ค่ะ แล้ว <ขอ S 1> ถึงจะถามใครจะเตรียมคาถา ม, ถามเตรียมไว้<ข> อ, อันนี้ยี่สินาที <ขอ S 1> ไม่ถึง15สเท่านั้นนะ<ข>อตอนนี้มาสามแลขออนุญาตวิเคราะห์นะคะดิฉันมองที่ขี่สิบนี้นะคะฉันมองว่าข้อสิบนี่เหมือนเป็นรูปแต่ทั้งเก้าข้อเนี่ยเป็นเป็นนามอ่ข้อสิบนี้สำคัญที่สุดเพราะท่านจะโชว์เพราะท่านจะโชว์ความมีและไม่มีให้โลกได้รู้ ในการที่ตั้งนิสิตขึ้นมาเนี่ยแนวที่ทีสิบมาใครไม่มีพื้นฐานคนที่ที่ข้อส0ข้อคือสมณะพระสมนาตั้งหลายสมณะผู้ที่มีสยังอภิญญาผู้ดมณอผู้รู้สัตตบรุษน่ะค่ะปฏิบัติถูกถูกตรงซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้จำแจ้งเพราะยิ่งเพรารู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้มีอยู่นี่คือซึ่งไม่หมายถึงสมณะยสมณะพร ก็หมายถึงว่าพุทธบริษัท4นะคะคือโซดาปฏิมาโซดาปฏิผลจนถึงอรหันตมรรคอรหัตผลนะคะนี่ต่างหากคือพ่อท่านกำลังโชว์นี่แหละความมีและไม่มีน่มีอยู่นี่แหละให้โลกได้รู้ะคะ่ะคนทั้งโลกเขามองว่าคนที่หมดกิเลสเนี่ยไม่มีหรอกคือคือข้อแรกหัวข้อแรกะคะ แต่พอท่านกำลังโชว์เนี่ยนี่ไงมีอยนอยี่นี่มาดูที่อโศกเนี่ยค่ะเท่านี้ค่ะพราะงั้นใครเห็นคนนั้นก็สมาธิคนไม่เห็นก็ไม่สมาธิคนไม่เห็นก็น ไ, มนนไม่มีคนเห็นก็มีก็ได้อันนี้ก็ได้พอเราจะชักจะเฟื่องใหญ่แล้วนะฮะโอ้รู้ละเอียดเกินละเอียดไปหน่อยรู้ละเอียดแล้วอา้าวใครจะวิจยัยวิจารณ์อีกได้อีกประมาณสิบนาที จะถามไอ้ถามตอบนี่จริงมันจะต้องใช้เวลามากหน่อยต้องถามต้องตอบนี่กราบขอาการค่ะประโยคที่หนึ่งบุคคลที่เห็นความเกิดคือเห็นสมุทัยแห่งโลกด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มีในโลกนั่นก็คือพวกเราชาวโศกที่เห็นแล้วว่าทางนี้เป็นทางปฏิบัติ ก็คือรู้ทฤษฎีทุกอย่าง oh. ก็คืออยู่ในโสดาปฏิมัก oh. แต่ไม่อาจทำปฏิมักให้อยู่ในโสดาปฏิพน oh. ก็คือไม่มีโรกุตระจิต oh. คือไม่มีอรหัตผลในโสดา oh. อารหัตผลในโซดาปฏิผนนี้แหละ oh. คือโรกุตระจิต oh. คืออมตะธาตุในเบื้องต้น คือสามารถลดละสักกายสักกายยะของเราคืออะไรสักกายยะของดิฉันคือเมถุนธรรมคือข้อสเมื่อดิฉันสามารถทําให้ศีลข้อสาและทุกๆข้อพ้นศีลาาแล้วถาปะปา마ศแล้วนั่นคือเราจะไม่เวียนกลับไปสู่อวัยภูมิอีกต่อไปมันจะเป็นเช่นนั้นมันจะไม่อุ ป, ปะเจโตวิมุติ ไม่กลับกำเริบอีกด้วยทั้งสองอย่างอสังกุปปังคือไม่กลับกำเริบอีกสามารถที่จะปฏิญาณตนว่าเราได้เป็นบุคคลที่โสดาปติผลแล้วเห็นอย่างชาณโตปสติวิหารติคือต า, านตในของเรามีายานสัมผัสรู้เมื่อนั่นแหละนั่นคือพระัญญาโคนัญญะ ที่ได้เห็นตรงนี้พระพุทธองค์ให้ทุกคนต้องเห็นตรงนี้ให้ได้ถึงคุณจึงจะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเมื่อดิฉันได้ตรงนี้แล้วดิฉันจึงเชื่อพ่อท่านว่านี่แหละคือครูของดิฉันที่แสวงหามาตลอดทั้งชีวิตนี่แหละคือสมณพรามนาเพราะเมื่อก่อนดิฉันอยู่ในสันติอโศกตั้งแต่อายุ19ดิฉันไม่เคยเชื่อพ่อท่านร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะดิฉันเป็นสายปัญญา ดิฉันได้ยินพ่อท่านพูดว่าอาหารเนี่ยอาตมากินไม่อร่อยมานานแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะกิดใจความกำนัดไม่เกิดขึ้นในอาตมาดิฉันก็ไม่ก็สะกิดใจแต่ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อไม่ได้เกิดจากการลบหลู่คือไม่เชื่อครูว่าครูเนี่ยทำให้เราปฏิบัติไปหนทางเนี่ยแล้วเราจะมีความจริงเกิดขึ้นในตนของเราได้หรือไม่ แต่มาวันนี้ดิฉันได้โสดาปฏิผลแล้วคือไม่เวียนกับสุวะบายภูมิอีกศีลทุกข้อเราถือจนเป็นปกติไม่นินทาคนเป็นปกติคือทุกข้อเนี่ยเราอยู่อย่างสบายใจและเราก็ไม่โกรธใครไม่มีอคติต่อใครนี่แหละคือโรคอุตรจิตในระดับโสดาปฏิผลหากผู้ใดยังไม่มีอรหัตผลในโสดาปฏิผลแล้วแล้วก็ คุณก็คือยังอยู่ในมัศมัศคือทางที่คุณยังทำให้เกิดผลไม่ได้แล้วคุณจะสัมผัสคำว่าอมตะบุคคลในระดับโสดาปฏิผลได้อย่างไรนี่ก็คือข้อหนึ่งหลังจากนั้นดิฉันก็ขึ้นไปสู่ฐานต่อไปคือลดละปฏิฆะอะไรต่างๆเพราะเราได้หดลดเหตุตัวใหญ่แล้ว เมถุนธรรมเราก็สามารถทำลายได้แล้วเพราะเราผ่านสีนข้อสแล้วคือสินเราปฏิบัติขัดเก่าจนถึงจิตเราไม่กลับกำเริบไปนอกใจไปกุ๊กกิ๊กกับสามีคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นสีนข้อสเราก็จะไต่ขึ้นไปถือสีน8ดแล้วดิฉันไม่มีหนังสือธรรมะเลยที่อยู่ที่บ้านแต่เมื่อดิฉันบรรลุโซดาปฏิผลบุคคลแรกที่ดิฉันนึกถึงคือพ่อท่าน เพราะว่าสิ่งนี้ดิฉันถูกโลกมอมเมาจนกระทั่งดิฉันตื่นดิฉันพบบุคคลหนึ่งพูดคำว่าทานศีลบารมีให้คุณถือศีลและทำทานและปัญญาของคุณจะก่อเกิดเมื่อ น, นั้นดิฉันเริ่มตื่นทันทีและสามีก็งงมากที่ฉันตื่นขึ้นมาปฏิบัติดิฉันไม่ได้อวดตนแต่ดิฉันจำเป็นต้องนาสภาวะที่แท้จริงออกมาเพราะดิฉัน จะสังเกตเห็นว่าเมื่อดิฉันฟังทำแล้วดิฉันทําไมจึงพยักหน้าดิฉันทราบซึ้งเพราะว่าดิฉันมีสภาวะที่แท้จริงดิฉันมีโลกุตละจิตอันจริงและมีอรหัตผลที่แท้จริงเมื่อดิฉันพบว่าดิฉันได้เดินเข้าสู่โลกโลกุตระอย่างสมบูรณ์ในรอรหัตผลในระดับเบื้องต้นแล้วดิฉันจึงกลับมาหาพ่อท่านพาลูกและสามีมา ทิ้งเงิน3มล้านสล้านทิ้งที่สิบห้ไร่ที่ดิฉันจะต้องได้ในอนาคตดิฉันเห็นว่าโอ้โหอรหัตผลในระดับโสดาปฏิผลเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าเงิน3ามสี่ล้านที่ป้าจะให้ดิฉันนะนี่แล้วต่อมาดิฉันก็เริ่มเพราะดิฉั น, ด, ฉนดิฉันก็บอกแล้วว่านี่คือบารามีทําเก่าดิฉันดิฉันไม่อาจเอื้อมที่จะบอกว่าเออไปเทียบกับพ่อท่าน แต่ดิฉันก็มีบารมีทำ ม, มาตามฐานานุฐานะของดิฉันคือดิฉันก็ไต่ไปสู่สกิทาคามีเริ่มลดละการปฏิภาในใจเนี่ยแหละคือผลเมื่อมันสมบูรณ์มันจะไปสู่ฐานอุเบคาฐานอนาคามีแมน้นความกำหนัดตั้งแต่วันที่ดิฉันบรรลุโสดาปฏิผลก็ไม่เกิดกับดิฉันอีกดิฉันก็จึงไม่ต้องควบคุมตัวเองไม่ต้องสม้ยตายตามองใคร และก็ไม่ต้องไม่ต้องที่จะบังคับตัวเองไม่ให้เสพสังวาสคือมันจะไม่เสพสังวาสไม่เสพเมถุนเป็นปกตินั่นคือร่างกายของดิฉันไม่มีความต้องการไม่มีน้ำใครแห่งความต้องการอะไรอีกนับวันนั้นจนบัดนี้ดิฉันจึงมั่นใจและเชื่อว่าผู้นี้แหละคือผู้ที่เป็นสยังอภิญยาที่พูดอย่างจริงใจนี้ไม่ได้หมายความว่าจะอวดตัวอวดตน แต่อยากพูดให้ท่านรู้มานานแล้วตอนที่ดิฉันประกาศที่นี่ดิฉันได้ประกาศกับพ่อท่านแล้วอยากให้ท่านคาราวาทุกท่านทราบว่าการบวชที่แท้จริงคือการละออกจากกามในร่างคาราวาสนี้แหละไม่จำเป็นที่เราจะต้องรอจนถึงเวลาที่เราจะโกนหัวนุ่งห่มจีวร อ, อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจผิด อานาคามิผลนั่นก็คือความกำหนัดก็ไม่เกิดขึ้นกับร่างกายดิฉันดิฉันเช็คหมดตลอดเวลานับจนบัตรนี้จนบัตรนี้มันก็คือยังศูนย์อยู่นี่แหละคือโลคกุตรจิตแล้วท่านลองคิดซิว่าบุคคลที่ตายเต้าขึ้นมาระดับจักกายะในระดับเบื้องต้นเมื่อถอนอาสวะได้นั่นคือแหละนิพพานโรคกุตรจิตแท้ คือบอกคลขั้นแรกเลยที่พระพุทธเจ้าทรงปาถนาที่จะให้คนขึ้นสู่ระดับนี้ให้ได้ถ้าหากคุณไม่สามารถขึ้นสู่ระดับนี้ได้แล้วคุณจะไปสู่สกิทาคามีมรรคผลนั่นก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้และแน่นอนผู้ที่เป็นอนาคา ม, มีผลอย่างดิฉันจะหยุดอยู่หรอที่จะไม่ขึ้นสู่ภาวะของความเป็นพระอรหรันต์ ดัานดูสิคะว่าดิฉันได้พิสูจน์ความอนุตตามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ระดับโสดาสกิทาอานาคาใช่ไิมคะเพราะดิฉันเมื่อรู้วันแรกที่ดิฉันได้โสดาปฏิผลดิฉันจาคาของพ่อท่านไวในอดีตห้ามติดอยู่ในปิติดิฉันมีปิติแค่วันเดียวหลังจากนั้นดิฉันสลายพบการปิติแล้วทำใจในใจลดละปิติท่านคิดดู ดิฉันต้องใช้ทั้งอ่านหนังสือและฟังธรรมคิกเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างสามีดิฉันช่วยเหลือดิฉันทุกอย่างจากที่ดิฉยนติดหนังเกาหลีจนกระทั่งข้ามวันข้ามคืนดิฉันเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ทั้งฟังทั้งอ่านแม้กระทั่งมาอยู่บ้านราษเพื่อจะทำตัวให้หลุดพ้นนิพพานขั้นต้นได้แล้วในโสดาปฏิพัมีหรือที่บุคคลอย่างดิฉัน จะไม่สามารถไต่เต้าขึ้นไปได้เพราะนี่คือบารมีธรรมเก่าของดิฉันวันนี้พูดอย่างองอาจด้วยเหตุว่ามันลงตัวแล้วเราไม่หยิงยโสในผู้ที่เป็นครูของเราเพราะว่าเราต้องติดตามครูดิฉันเข้าใจในความเป็นปัจจัตตังกับปัจเจกบุคคลในละระดับสยังอภิญญาเมื่อดิฉันอาจจะมีภูมิอรหันต์มาในชาติก่อนก็ได้ แต่หากวันนี้ดิฉันไม่เจอสมณพราหมนาผู้นั้นพระอาหารหันในระดับปัจเจกภูมิสาวกภูมิอย่างดิฉันถ้าไม่เจอครูผู้เป็นสยังอภิญญาแล้วจะไม่สามารถทำตนเองให้บรรลุเป็นพระอาหารหันแม้ว่าจะมีจิตโรกุตระของพระอาหารหันมาก่อนเพราะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเชื้อเป็นตัวเป็นเกิดยังไม่สามารถที่จะ เป็นตัวเกิดเองเป็นปัจเจกเองสามารถที่จะทำให้ตัวเองเกิดมีเองเองเอ ง, เองนี่แหละมันคือสยังอภิญยามันเริ่มมาตั้งแต่โสดาปฏิพันธแหละสยะสยังอภิญญามันเริ่มมาทีละน้อยทีละน้อยท่านเข้าใจหรือไม่อยากพูดมานานแล้วไม่ใช่อยากพูดว่าตัวเองเก่งแต่อยากให้ทุกคนเห็นเห็นภาพที่แท้จริงทุกคนเห็นต้องเห็นตัวนั้นให้ได้ แต่ทุกคนทุกวันนี้ไม่เห็นเพราะไม่มีประโตโคสะคิดว่าเรามีธ ร, รมที่ดีแล้วเราดีแล้วเราเก่งแล้วจึงไม่มองผู้อื่นดิฉันมองตั้งแต่ชีวิตภายนอกดิฉันดิฉันทราบซึ่งคนขอทานคนบ้าคนอะไรทุกอย่างดิฉันไม่เคยดูถูกและไม่เคยดูถูกพระสายอื่นช่วงเวลานั้นที่ดิฉันยังไม่กลับมาสู่อโศก ดิฉันปฏิบัติอยู่ข้างนอกดิฉันฟังพระสายอื่นเพราะว่าเทปพ่อท่านก็ไม่มีดิฉันไปปฏิบัติศีลแปขอสามีไปปฏิบัติกับลูกดิฉันก็ไปอ่านของท่านพุทธทาสและฟังเทปของท่านท่านอะไรดิฉันจําไม่ได้แต่ในนั้นดิฉันเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เป็นสัมมาทิฐิของดิฉันช่วยทําให้ดิฉันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนดิฉันได้มาร่วม ง, งานปกเสดและไปซื้อหนังสือ ที่อุทยานบุญิยมเพื่อจะมาตรวจสภาวธรรมของตัวเองว่าสภาวธรรมที่ตนเองปฏิบัตินั้นน่ะมันถูกต้องมันตรงหรือไม่เนี่ยดิฉันถึงสงสารท่านที่ไม่สามารถจะเข้าสู่ภาวะของความมีแล้วไม่มีในโลกได้มันน่าสงสารน่ะแต่ไม่ใช่ว่าเยยหยันน่ะท่านจะเข้าใจจิตใจของดิฉันไหมอะ่ะ ไม่ใช่ว่าท่านขออภัยนะคะไม่ใช่ว่าท่านอยู่ในฐานะนักบวดแล้วท่านก็คิดว่าท่านนั่นแหละสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อท่านสอนแต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือสิ่งที่ท่านเป็นและมีอย่างที่ดิฉันเป็นอย่างที่พ่อท่านมีอย่างเหมือนดิฉันเหมือนพระสารีบุตรที่ในตรงนั้นเขาบอกว่าพระจุคูเขาสุเมรุ ก็คือว่าดิฉันฟังพ่อท่านดิฉันเข้าใจเข้าถึงพ่อท่านอยู่องค์เดียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วท่านท่านอย่าอิจฉาดิฉันนะเพราะว่ามั่จะอิจฉาเราก็จะมันไส้มันยาวไปพิธภอพระคุณค่ะเอาละเอาเอาละอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงออกนะเราก็ค่อยมันเป็นทั้งโจทย์แต่เป็นทั้งโจทย์เป็นทั้งสิ่งที่เป็นความรู้ อันเป็นตั้งโจทย์เป็นสิ่งที่เป็นความรู้มันจะเป็นเรื่องโอเวอร์ของของเขาบ้างคุณก็ต้องพยายามฟังเอาเนื้อเพราะคนเรามันจะให้มันลงตัวให้มันพอดีทุกอย่างไม่ง่ายหรอกนะไม่ง่ายนะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเคเป็นเป็นสิ่งที่เราได้ศึกษากันนะอ้าวเขว่ากันไปมองกันดูกันในกาช่วยกันไปอ้ามันหมดแล้วเวลาสําหรับวิจารณ์ที่นี้ถามเพ่อท่านครับพ่ะท่านครับ ตอนนี้ถามได้ใช่ไหมคะยังไม่หมดเวลาตอนนี้เวล า, าถามละคนที่พูดธรรมะไม่เก่งอะค่ะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะได้ได <c oughs> ้พูดธรรมะไม่เก่งแม้แถมฟันหลอก็พูดได้ <c oughs> ก็บรรลุได้นะไม่เก่งแม้แถมฟันหลอก็บรรลุได้ <c oughs> พราะท่านคะขออนญาตพี่จิงที่ฉันว่าจะไม่พูดแล้วนะคะเพราะว่าเพราะด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้เพื่อนเข้าดูอยู่บอกว่าส่งให้มาเรียนหนังสือและให้คนอื่นแสดงภูมิรู้ที่ฉันทำไมไม่แสดงมั่งก็ เ, ออลเลยบอกว่าพูดธรรมะก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่ถ้าเรื่องอื่นแล้วก็พอได้อ่าแล้วกันไอ <laughs> ตอนนี้เขาเรียนธรรมะพูดเรื่องอื่นมันก็ไม่เข้าไม่เข้าเวลา Uh huh. ทีนี้ตอนนี้จะบอกเพื่อนว่าดิฉันพูดแล้วนะคะ uh huh. ทีนี้มีคาถาม พ, พ่อท่านบอกว่าศิลปะมีอยู่สองอย่างสุนทรีกับสาระใช่ไหมคะทีนี้ดิฉันก็จะถามพ่อท่านสองอย่างทั้งศุนทรีและสาระสุนทรีข้อหนึ่งก็คื อ, อ, อฟังรู้สึกดิฉันจะพูดไม่ค่อยออกเหมือนกัน <laughs> ว่าตัวเองก็ฟังพ่อท่านก็มากใช่อ่านก็มากบันทึกก็มากแต่ฉะนไหนยังไม่บรรลุธรรมทีคำถามนี้คุณไปสารพืชมงคลถามตามามาแล้วผมอ่านมากมากศึกษามาก็มากเขียนกระจายวิจัยวิจารณ์ไว้มากทาไม ะพระัญญาโกณธัญญะฟังทมกันเดียวบรรลุโสดาบันทำไมผมไม่บรรลุโสดาบันทักทีอาตมาก็ว่ารรมาเบื้องต้นนี่นะอนุปปคาถาอาตมาก็อธิบายให้แกฟังอธิบายออกศาสตร์ด้วยว่าทานก็ดีศีลก็ดีสักขะก็ดีลงไปถึงก็ตั้งโทษของกาม และถึงขั้นนี้คำะนี่มันอุุปปุรคาตาห้าทีนี้อาตมาก็ไขให้ฟังว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจแยกไม่ออกตรงคําว่าสักขะนี่แหละคือสวรรค์นี่แหละถ้าไม่เข้าใจสวรรค์สวรรค์คือมันเป็นเท็จกับสวรรค์มันลบสวรรค์เท็จมันเป็นสวรรค์สงบจากสวรรค์เท็จถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ แยกสวรรค์ไม่ออกแยกอารมณ์เวทนาในเวทนาก็ต้องกระจายความไปให้ถึงเวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึกถ้ารู้สึกสุขแบบนี้มันสุขด้วยเหตุปัจจัยอะไรมันสุขเพราะว่ามั น, มนบมเรอกิเลสสมใจแล้วมันก็สุขมันเป็นรสอร่อยอันนี้สวรรคโลกีสวรรคเทศถ้าทำให้ตัวเหตุที่มันให้เกิด บำเรอกิเลสตัวนี้แล้วสุขเนี่ถ้ามันทาตัวกิเลสตัวจิตจะได้รับการบําเรอเนี่ยทําให้มันลดทําให้เกิดการละจางคลายที่ดับไม่ได้แล้วมันจะมาหาสู่กันดับสวรรค์เห็นโทษในการเห็นโทษในความใคร่ากามาธินวะข้อสีเห็นโทษนะในการบําเรอความใคร่บาเรอความอยากแล้วก็ได้สวรรค์ ถ้าเข้าใจว่าการบำเบลความอยากด้สวรรค์นี่คืออารมณ์คือความจิตจริงที่จิตเป็นแยกตัวนี้ไม่ออกนะคุณไม่มีทางที่จะเดินทางเข้าสู่กระแสของโซดาบันเพราะความไม่เป็นโซดาบันนี้ถ้าต้องรู้จิตรู้เจตสิกรู้มโนปวิจารแยกเคหะสิตะเวทนาแยกเนคมะทำออกจากกามกามัาทิฏวะแล้วก็เนคมะออกจากกามออก จิตมันออกจิตมันคลายจางออกถ้าคุณอ่านจิตไม่เป็นเลยจิตเยจะตสิกรูปนิพานอานอาการของจิตเป็นนามมารูปรูปอาการลิขินิมิตอ่านพวกนี้ไม่ได้อาอาการไม่ออกอาการมันมีอยู่เป็นอาการกามเออนี่อาการกามลดลงละหรือดับถ้าคุณอ่านไม่ออกจริงๆคุณก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีปัญญาทางโลกุตระไม่มีปรมัต ไม่มีประมต ธ, ธรรมไม่มีประมตปัญญาไม่มีสมปัญญาปัญญาที่ถูกต้องที่ชอบแล้วมันไม่มีมันไม่เห็นของจริงอันนี้นะถ้าผู้ใดสามารถเห็นดังที่อาตมาว่านี้แล้วก็รู้โอ้จิตเราลดได้คุณก็จะเห็นความเป็นโสดา ข, ของตนกิเลสลดลงได้แม้มันจะลดชั่วครั้งชั่วคราววิคัมพนาประหารก็ยังได้นะกฎข่มมันก็ได้แต่มันไม่ท้าวรมันไม่ จบจริงรู้ด้วยปัญญาแล้วมีไฟฌานไฟปัญญาในละลายมันเออมันด ล, ลดลงลดลงลดลงแล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เพิ่มอีกนะลดลงในคุณก็มันมีโอกาสสัมผัสมีโจท ย, ยู่เรื่อยแหละหลดุดโปรตีนเสียงสัมผัสเนี่ยในตัวไหนที่คุณจับแม่นคุณเอาตัวนั้นเป็นหลักแล้วก็ตรวจอ่านเออมันลดลงจริงๆลดลงจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอาการของความดูดดึงหรือ อ, อริยอะรรถ มันจางลงจางลงจนมันถึงขั้นมันไม่มีเอออาการอย่างนี้มันไม่มีนะมันกลางๆเฉยๆเขาก็จะรู้วความจริงของความไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ชอบไม่อิทธารม่มอนิธารมไม่ผักไม่ดูอะไรพวกนี้นะแต่ก็จะถึงตัวนั้นบางทีมันยังไม่ถึงมันลดจางคลายลงเขาก็เห็นความจางคลายได้เรียกว่าวิราคานุปัสสี พ อ, อเห็นบางครั้งมันดับได้นิโรธานุปัติสีมันจะเกิดอีกคุณก็ทำซ้ำทำอย่างนี้ลนะเอออย่างนี้ลนะมันมีดวงตาเห็นปฏิบัติไปมีพรรษะนี่แหละแล้วเราก็ทําพิจารณามันด้วยปัญญาและพลังของปัญญาเนี่ยมันจะสูงเป็นพลังของฌานเกิดไฟฌานชัไฟที่มันทําให้ไฟราคะไฟโทสะหรือไฟราคะนี่ราคำพูดไฟราคะไฟกามมันจางคลายลงจริงๆ อาการของกามมันเบาบางจางคลายลงไปจริงๆหรือมันดับสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ดับไม่เห็นอยู่บนนีม้มีอาการนั้นอาการราคะอาการอยากมันกลางๆเฉยๆหรือแม่แต่รสอร่อยอัศธาอาการกามก็อย่างหนึ่งอาการอัศธาก็อย่างหนึ่งอาการกามคือตัวเหตุตัวกิเลส ต, ตัวอยากส่วนอาการอัศธาอาการอร่อยนะั้นมันตัว มันสัมผักแล้วมันเกิดรถอไอ้ตัวยากระตัวหนึ่งตัวเกิดรถก็อยาหนึ่งไอ้อาการตัวยา ก, ก็ลดลงแล้ตัวอาการข้องความอร่อยก็จะลดลงซึ่งลดลงตามยากกว่าเพราะมันทีหลังอาการอร่อยลดทีหลังแม้คุณลดลงได้แล้วดับตัวเหตุได้แล้วความจำของคุณจำรสอร่อยเก่ามันจำได้นะมันยังมีความจาได้ก็ยังยาก ที่คุณจะแยกว่าเออันนี้มันเหลือแต่ความจำเอ้ยตัณหาในตัวกิเลสมันดับแล้วแล้วรสอร่อยเราก็มันมันก็ไม่ดูดไม่ดึงอะไรแล้วไม่มีแล้วแต่ยังจำได้อันนี้แหละยากมากเลยว่าเอ้แล้วเราเหลือแต่ความจำหรือว่าเราหมดแล้วมันก็ต้องพิสูตรไปเรื่อยฉันถึงให้ทำถึง36 36 36 ทำไม่เยอะทำให้มากพระโุรีกร ม, มังให้เกิดผลอย่างนั้นแหละภา ว, วนานทำให้อย่างนี้ให้คุณให้เคยเซวนาภาวนาพระพุรีกร ม, มังทำก็ไปทำก็ไปทำก็ไปจนกระทั่งที่ได้ตั้งใจอ่านตั้งใจสังเกตตั้งใจจริงก็ได้ไม่ตั้งใจก็กสามารถอ่านตรวจเทวิชโชเออเมัอนนั้นเผลอให้มันเกิดอยู่พอจำได้ผ่านเหตุการณ์นั้นมา โอ้เราไม่ได้ระวังตัวมันเกิดหรือระวังตัวมันก็สู้ไม่ได้อะไรก็แต่ไอ้ไม่ไม่ได้ระวังตัวแล้วมันเกิดคงจะรู้เออเราไม่ต้องไม่เลยระวังตัวเลยนะมันก็ไม่เกิดไม่ได้ระวังตัวแล้วมันก็เกิดระวังตัวแน่นอนมันก็จะสู้ได้ระวังตัวมันจะมีพลังพอสู้ได้ไอ้ไม่ระวังตัวมันก็ไม่เกิดไอ้ติไม่ต้องระวังตัวนั่นแหละ บ่อยเข้าบ่อยก็ไม่ได้ระวังเลยเมื่อะไรเออมัดึกเออตอนนี้มันน่าเกิดเออมันก็ไม่เกิดเนาะนี่ก็น่าเกิดมันก็ไม่เกิดการทบทวนเหมือนลงบัญชีเตวิชโชดตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผ่านมาผ่านมาเออตรวจสอบจนกระทั่งคุณมั่นใจว่าโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งอมันก็ไม่เกิดแล้วคุณก็จะรู้ด้วยตนตัดสินเอง ตัดสินผิดพาลาดกรณีของตัวเองตัดสินไม่ผิดพลาดกับตัวเองอ <laughs> <laughs> พอเข้าใจยังจะแดงว่าฉ<ส>ันยังติดสวรรค์หรือคะก็รู้จักสวรรค์ยังไงสวรรค์โลกีสวรรค์มันลดยังไงก็อ่านความสมเป็นสวรรค์โลกีถ้าไม่ลดก<ะ>็คงไม่มาแล้วค่ะนั่นนั่นนอ่าอันนี้คุยเชิงหนึ่งต่างกันกับแสงแก้วแสงแก้วเก็คุยแบบหนึ่ง นี่ก็คุยอแบบนึงอ่าเ่อร์สื่ออันนั้นแบบโชวโชอันนี้แบบโชวโชนี่แบบซื่ออ้าวได้อ้าวใครถามอะไรอีกหรือมีอีกไหมอีกข้อนะคะอีกข้อหนึ่งเพราะ่อท่านจบพ่อช่างมาสอนศิร็จเฮ้พ่สอนศิลปะมาพ่อท่านจบพ่อช่างมาทีนี้ถามว่าที่ศิลปะที่พ่อท่านได้จากพ่อช่างอะฮะได้บ่มเพาะความเป็นศิลปะอย่างที่พระเจ้าว่าป่ะคะ ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้สอนไม่ได้สอนศิลปะที่เป็นโลกุตระเลยโอ้โหคุณถามดีจังอาตมา ต, ตอบให้สูงกว่านั้นไม่มีการสอนโลกรุตระในเพาะช่างเลยไม่มีอาจารย์คนไหนมีภูมิถึงจ ะ, จะสอนตอบได้เลยตอบได้จริงๆอย่าว่าแต่เพาะช่างเลยต่อให้มหาวิทยาลัยศิลปกรต่อให้มหาวิทยาลัยของโลกที่ว่นแน่แน่ทางศิลปะ อยากที่จะตอบโลกุตระไม่มีหรอกขออภัยที่อาตมาเบ่งคมก็ไม่หมดทั้งโลกไม่มีไม่มีหรอกแต่ก็พอมีปฏิพานรู้ว่าโอ้ปรมาตมมันยังงี้ๆนะอาตมาเคยฟังทวันดัชนีเขาจบปริญาเอกจากเนเธอร์แลนด์จบศิลปะปริญาเอกนะทวันดัชนีแต่เขาไม่คุยตัว ไม่คุยตัวเขาเขาบอกว่าอภิธรรมก็ไม่ใช่ปริยาเอกต้องเรียนถึงอภิธรรมเขาวาอย่างงี้นะโอ้เรียนอภิธรรมมันก็ต้องประมัดมันก็ต้องนิพพานทีมันต้องโลกุตระที่เขาได้บัญญัติมาเท่านั้นนะ่ะปัญญาตมาเท่านั้นนะในระดับต่างประเทศระดับโลกอะไรพวกนี้เขาก็พอมีความรู้ว่ามันมีอยู่มันเป็นอ e p i s t e m o l o g ีเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นฟ h น n o ม e n o l o g เขาพยายามจ ะ, สะแสวงหาจะพยายามให้ถึงตรงนี้ในโลกนี้อยู่ในขั้นใน epistemology สูงสุดเท่านี้ออกจากไอ้ uh, prophecy ออกจาก prophecy ที่มันลึกลับหรือออกจากแค่ uh, philosophy เ อ, อกจาก philosophy หรือ prophecy เนี่ยมันออกจากแค่นี้เท่านั้นมาสู่ epistemology แต่ยังไม่ถึงขั้นจะมี phenomenon ยังไม่ถึงขั้นที่มีสภาวะจริงปรากฏการจริงสปัตจริงรู้จริงเห็นจริงยังไม่ถึงแม่แต่ความรู้ทางฟิโลโซฟีก็ตามเหตุผลหลักเกณฑ์ก็ยังไม่เข้าขั้นโล ก, กุตระเท่าไหรเลยส่วนพระเฟ e ซี่ไม่ต้องไปพูดเลยเขาไม่รู้เรื่องอาจจะมีบางคนมีบา ร, รมีมีแต่พูดไมดด่ได้อธิบายไม่ออกได้แต่ตัวเองคนเดียวเผยแร่ไม่ได้บอกไม่ได้ทาเป็นแต่ว่า สอนมันเป็นบอกไม่ได้อธิบายไม่ได้สำหรับคนมีบารมีถึงนะแต่ก็หายากตอนนี้หายากขั้ น, นโลกตุตระนะค่ะ ข, ขอโอกาสค่ะอ้าว เ, เดี๋ยวเดียวเดวมีคนนี้มีปีบุญไม่ถามสดถามแห้งมาว่าพระครูคะในเรื่องความมีความไม่มีแสดงว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์แท้คือพระอรหันต์เท่านั้นใช่ไหมคะ เพราะมีโลกนิโรธทุกๆอย่างส่วนโซดาบันมีสมาธิทิฏฐิในเรื่องโลกอก บ, บายแต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิในที่ในเรื่องอื่นๆที่ยังดับไม่ ไ, มได้ยังมีอวิชชาอะไรอ่ะฮะใครพ อ, อกลองลม เออเวลาคนตีมันมันไม่ลม้มแต่มันอยู่เฉยเฉยแตมันมันลมม้มอ่ะเวลาถูกตีไม่ล้มนะกลองอเวลาดูเฉยเฉยง่วงโว้ยกลองลม้ม <c oughs> ก็เห็นกลองล้มแล้วมันก็อะไรแต่คนนี้อาตมา ก, ก็เลยบอกพวกคุณนิดหนึ่งแถมตอนนี้แวะหน่อยหนึ่ง เขามีคนเห็นคุณพรกคุณนั่งเรียนกันเนี่ยบสงสารคนอายุมากสงสารมันสัตว์รีระมันจะไปไหวรอดเออเนี่ยนั่งกันวันละหลายชั่วโมงนั่งตรงเนี้ยก็เลยมีคนสงสารกำลังจะทำเก้าอี้มาให้แล้วมันก็ต้องเป็นร้อยตัวขึ้นไปไม่ใช่เล่นเดนําหมดตังเวลาแสนอยู่ ก็มีคนกําลังติดต่อมีคนปรปรนามีคนอะไรขึ้นมาอยู่ตอนนี้นี่เราทําดีเถอะทําสิ่งที่ดีๆนี่มีแน่นอนจะมีคนเข้าใจมีคนเนินมีคนรู้มีคนอะไรซึ่งยังไม่อะได้นี่อย่างนี้ก็ก็ดีแต่ว่ามันเห็นใจว่าแม่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่เคยเหมาะหรอกมันก็คงหนักๆเข้านานๆเขามันก็คงจะแย่ศติร้านั่งโค้งๆโก่งๆเนี่ย เขาเลยจะเป็นเก้าอี้ที่กําลังคิดกันมาเป็นเก้าอี้หรือเป็นโต๊ะเล็กๆโต๊ะอะไรที่มันยังคือมันทําให้เกิดไม่มนั่งอย่างเงี้ยนี่ก็บอกข่าวนะ ก, กําลังเขาลังตามก็กำลังดูว่าเก้าอี้เล็กเชิ่งที่มีทุกวันนี้มันก็มีเขาก็ออกแบบมาแล้วแต่ว่าเขาจะเอาอย่างนั้นอย่างดียังไงก็ยังไม่รู้เขา คนที่จะทำนี่ก็ไม่ได้สุมสีสุมาทอะไรที่จะภานาที่ทำกําลังคิดกันอยู่แล้วก็จะเอ็มาจะเป็นอะไรดีที่สุดหน้าในบอกขา่าวนิดหน่อยอาทีนี้ตอบอันนี้ถูกต้องแล้วอย่างพุทธิธรมมาีนเข้าใจว่าความมีไม่มีสแสดงว่าผู้มีสมาธิในไม่ที่สมบูรณ์แท้คือพระอาราหารนะันต์นั้นถูกต้องนะสุโสดาบันก็สมาธิิในโลกะบายนะแต่ยังมีวิบิชาติฐิที่ยังดับไม่ได้อยู่ยังมีอยู่ เือวิชาอันนั้นอันเหลือนั่นแหละเพราะยังเห็นว่ารถอร่อยยังมีเรื่อยยังเห็นว่าความไม่มีรถอร่อยในโลกย่อมไม่มีนะมันก็ความไม่มีมันซ้อนนั่นเนี่ยผู้ที่ถามมาในซ้อนถามซ้อนว่าจึงยังเห็นว่าความไม่มีของรถอร่อยในความไม่มีของรถอร่อยผู้นี้ตัดตัตนเองเนี่ยแถึงขั้นไม่มีรถอร่อยเนี่ยมันยังไม่มีตนเองยังไม่มีเห็นไหม ภาษามันบอกสภาวะที่มันซับซ้อนนะเพราะว่าเห็นว่ายังความไม่มีน่นนรสอร่อ ย, อย น, นยี่มันยังไม่มีรสอร่อยนี่มันยังมีอ่ะมันมีรสอร่อยอยู่ในโลกนี้ยอมไม่มีมันยังมีมันยังไม่เกิดผลนะใช่นะที่ถามมาใช่นะเนี่ยความซับซ้อนซึ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าท่าบอกว่าโลกนี้อาศัยสองอย่างเนี่ยอาศัยคาว่ามีก็ไม่มีเนี่ย โอ้โหมันไม่ใช <It> ่ธรรมดาใช่าะแล้วก็เห็นใจคนที่ไม่มีสภาวะนี่รับรองว่าเมามุนไปมุนมาที่ไม่มีสภาวะพอศึกษาไปแล้วมีสภาวะจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจัดขึ้นก็จะรู้ว่าใครจะพูดยังไงก็ได้พูดสลับไปสลับมายังไงก็ไม่ไม่ไม่หลงทางไม่ไม่ผิดสภาวะเข้าใจตามสภาวะทุกมุมเข้าใจทุกมุมแล้วหมุนกลมเลยะกลมกลิ่งเลย บอกตรงนี้ถูกบอกตรงนี้ก็ถูกตรงนี้ถูกอยู่ขวาก็ถูกอยูซ้ายก็ถูกอ้าบอกขวานี่ยแหละซ้ายซ้ายนี่แหละขวาเออไม่ผิดไม่เมาอ่ะถ้าคนที่มีสภ า, าวะตามสภ า, าวะพยัญชนะจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ติดไม่ติดพยัญชนะบอกนี่แหละขวานี่แหละซ้ายซ้ายนี่แหละขวาเข้าใจมันเดิน ย, ยัางไงผู้อธิบายเป็นก็จะอธิบายได้บางคนอธิบายไม่ได้ก็อาจจะบอกพูดแค่นี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาเหลือเวลาอีกสีนาที พอกาศค่ะพอท่านค่ะอ้าวอีกสีนาทีพอกาศแต่ถ้าจะตอบเมื่อเมื่อกี้นี้พี่ตุ๊กถามพ่อท่านจะตอบเป็นมีไม่มีว่าว่าผู้บรรลุผู้ไม่บรรลุธรรมเพราะเพราะความไม่มีคุณจึงมีหรือเปล่าพ่อท่าน <laughs> เป็นอย่างนั้นไหมค ะ, ะจริงๆแล้วถ้าคุณจะพูดอย่างนี้เนี่ยนะ เพราะท่านทำให้ไม่มีได้คุณเลยมีคุณทำกิเลสนั้นให้ไม่มีได้แต่ยังมีคุณอยู่คุณยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารก็ยังมีคุณอยู่หรือคุณทำให้อกุศลจิตหมดไปคุณก็เหลือแต่มีกุศลจิตเท่านั้นอ่าพวกนี้แต่จะพูดเป็นบัญญัติภาษาก็ได้คนเขา้าใจบัญญัติภาษาดีๆจับภาษาได้มัน่น ก็คุยได้เก่งเหมือนกันแม่สภาว่าไม่มีนะแล้วทำไมในในข้อความทาไมไม่ใช้คำว่า เ, เปลี่ยนจากคำว่าเห็นเป็นคำว่ามีความเกิดโลกสมุทัยด้วยปัญญาอันยิ่งความไม่มีในโลกย่อมไม่มีทำไมไม่ใช้คำว่ า, าเอาเอาคำว่าเห็นนะออกเอาคำว่ามีมาใส่ เห็นด้วยปัญญาอันยิ่งไงล่ะค่ะทําไมแม่ไม่เอาคําว่ามีปัญญามีปัญญาอยิ่งอะค่ะอ่าเออก็ถามถามดีเหมือนกันเนาะทําไมไม่ใช้คํานั้นทำไมใช้คําว่าเห็นอ่าคำว่ามีนี่นะบางทีมันไม่เห็นก็ได้มันมีอย่างคนที่มันมีอยู่ลึกๆตัวเองมองไม่เห็นนะเพราะฉะดึงออกมาให้เห็นได้ไดมันที่จะแบเออมันมีเว้ย ถ้ามันมีดึงออกมาไม่ได้คุณไม่เห็นมันแต่ถ้าคุณเห็นเนี่ยแน่นอนมันไม่มีไม่ได้ใช่ไหมอ่าแม่เกือบตอบไม่ได้ฮะอ่าใช่มันจริงคุณมีเนี่ย อย่างหลายๆคนมีบา ร, รมีเก่ามีแต่ว่าเออเรายังไม่รู้เรื่องอยังพระพุทธเจ้าเนะี่ยยังไม่ดึงออกมาก็ยังไม่เห็นยังไม่รู้เลยว่าเออพระพุทธเจ้าเป็นไงวะจนกระทั่งท่านเห็นเราลึกชาติเห็นหมดแล้วทีนี้โอ้โหถึงรู้ว่าตัวเองมีอา้าวลึกความเห็นใช่ไหมล่ะมีไม่เห็นก็ได้แต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันม่มันต้องมีแน่เห็นแล้วอะมันเห็นแล้วต้องมีแน่ใช่ไหม เห็นเอเห็นคุณเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณก็เป็นอุปทานนัตนเองคุณก็เป็นมโนมยะอัตตาคุณก็หลอกไปสิมันก็ต้องเห็นความจริงตามความเป็นจริงนี่ท่านเน้นว่าจริงเห็นตามเป็นจริงไม่จะไปเห็นของหลอกถ <c oughs> <t> ึงเน้นว่าเห็นตามเป็นจริงโดยชอบแล้วอีกเห็นตามเป็นจริงโดยชอบแล้วอีกไม่ใช่โดยไม่ชอบใช่หไหมเดียนตั้งเดือนหลายขัน้นโอ้โหเกือบตอบไม่ได้ ถามลึกดีแลยเอาละเดี๋ยวอีกนาทีดึงก็คงจะถามจะตอบไม่ได้ละนะอัตมาก็ขอสรุปว่าแมวิธีพวกนี้เรียนกันนี่เนาะไม่หลับมันตื่นดีแล้วก็มีหลาๆจริตนะอย่างจริตแสงแก้วกระตุกนี่ม่นโครเรื่องเลยเนาะ คนนึ่งก็งุมๆไอ้คนนึ่งมาคนนึงก็แบ่แบ่คนนึงงุมๆคน น, งนึงแบ่แบ่มันคน จ, ะจะริตนะก็สนใจก็ศึกษาไปนะเพราะงั้นคําจะขอโทษคำขออภัยอยู่ของของแสงแก้วเนี่ยกวากันไปนะก็คงจะมีความจริงใจนะแต่มันมีอุเพงขาปิติอ่ะมันมีมันมีความ เต้น like, ดีใจอ่ะมันปิติดีใจอยากจะให้คนอื่นรู้อยากให้คนอื่นรู้นะเหมือนกับคนที่มันแหมคึกคักคึกคักเหมือนอย่างคุณดีง่า ย, ยานี่แต่ก่อนนี้เนี่ยว่าไม่เคยอยู่นะมันอยากให้คนรู้อยากจะพูดพูดเดียเด๋ยวนี้ค่อยยิงชั่วแล้วอ่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเดียเด๋ยวนี้เปลี่ยนละอ่าอ่ามันไม่เหมือนเก่าเห็นปะ ม, <out> มันก็ดีขึ้น <out> แต่เป็นเมื่อก่อนนี้โอ้ oh, โหห้ามยากเลยเนาะยังเลยมันก็อยู่ มันอยากพูดมันอยากบอก <c oughs> มันอยากให้คนอื่นรู้บ้าง <c oughs> มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งนะ <c oughs> ถ้าอย่างนี้นะมันมีซอนนะมันมีซอนว่าอยากให้คนอื่นรู้กับเชิงมีอาการอยากอวดมันเป็นสาเทยจิตอันนี้ละเอียดอันนี้ละเอียด าสาธเตยจิตหรือสถโธสัทมันหมายความว่าจิตอยากอวดอยากอวดโอมันเป็นอุปกิเลสอยู่ในอุปกิเลสสิบหกข้อมายาสาเตยทำพระสารำพระเนี่ยตัวสาเตยหรือสัโธมันอยากอวดอ า, าการพวกนี้ให้ได้มันอยากให้คนรู้โดยไม่มีอาการอยากอวดอ อยากให้คนรู้แต่ไม่มีอาการอยากอวดมันซ้อนอ่านไม่ง่ายก็จะรู้ตัวว่าไม่อยากอวดหรืออยากอวดอ่ะนะมันจะหลอกเราเพราะกิเลมันหลอกเก่งนะเชื่อไหมว่ากิเลหลอกเกง่งมันหลอกคนมานโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ยังหลอกคนอยู่เต็มโลกเลยว่าตัวเองฉลาดขนาดไหนก็ตามไม่ง่ายก็บอกให้เท่านั้นเองได้ไปศึกษาอ่านใจเราเออมันอยากอวน ถ้าอยากอวดแล้วดีประ ง, งับหยุดเละไม่งั้นให้อาหารมันต่อไปมันจะมันจะอ้วนมันเป็นสัจจนะถ้ารู้ว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่อยากอวดนะหยุดจะได้ตัวเองจะได้จะได้รู้นะจนกระทั่งเรารู้ว่าเออเราอยากอวดมันมีอยากอวดแล้วเราก็ค่อยๆใช้ปัญญาว่าไออยากอวดเนี่ยมันมีดีมันค่อยๆทาไปอีก คนเราเวลาลดกิเลสตัวที่กําลังลดนี่อย่างหนึ่งหยุดเลยแต่ว่าที่คาพนาาักผ้านอย่างหนึ่งปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ใช้สร้างปัญญาสร้างความเห็นให้ลึกๆอกีและมันละลายไอ้ความอยากเนี่ยละลายกิเลสอกุศลจิตนี่ลงไปนะอันนี้รู้ได้เลยตนของตนเองจะต้องฝึกอ่านเองถ้าเราไม่รู้หลอกตนเองอันนั้นน่ะสวย มันมีเราก็ไม่มียานปัญญาชจำแรกรู้คารายละเอียดตรงนี้มันซวยเองก็อันนี้ช่วยไม่ได้มันสุดวิสัยแล้วของตัวใครตัวมันแต่ถ้าใครเห็นจริงแล้วยาไปหลอกตัวเองต่อหรือว่าดื้อดันกับไอ้สิ่งที่มันเป็นอากุศลจิตของตัวเองตรงอย่าไปดื้อดันกับมันถ้าดื้อดันกับมันมันก็มีอยู่ดีไม่ดีก็อ้วนขึ้นให้อาหารมันเรื่อยๆดันต่อไปให้กิเลมันทําตามที่มันอยากทํำอ้าวมันก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆที ก็เป็นปุตุชนด้วยไปนะนะเอาละสําหรับวันนี้ก็พอสมควรกัเวลาดีสนใจอยากเรียนมันดีก็ไม่อยากเรียนดีก็เบื่อนาย เ, าเรียนยากๆเย็นๆนี่มันก็ยังยังดีอยู่ไม่ไม่เครียดอาตมาก็พยายามให้มีสุนทรียสินอยู่บ้างก็มันก็ไม่เครียดอะไรหรอก <c oughs> นี่เขาก็เรียนศิลปะมาเนี่ยจะเข้าใจได้ ว่าอะไรอะไรเชิงพวกนี้จบทางศิลปะมาเหมือนกันสู่ดแดนธรรมป o สอเหมือนกันนะนะ power นะชอะ